ทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีความสุขค่ ะ, ะตั้งแต่เจอคำถามมาก็ไม่เคยเจอคำถามนี้นะคะน่ารักจังเลยอยากทราบจริงๆใครเนาะเป็นคนถามว่าจะต้องปฏิบัติกับคุณแม่ชียังไงท้าทางจะเป็นบุรุษด้วยมรนาด้วยนะคะจริงๆแล้วแม่ชีเนี่ยก็จัดเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานะคะโดยศีลนะคะแม่ชีมีศีลอยู่2กลุ่ม ะะกลุ่ม1นึงก็คือเป็นศีลแปดหรืออีกกลุ่ม1นึงคืออุโบสถศีลอีก3กลุ่มะคะกลุ่มที่3คือรักษาศีลสิบเป็นยังไงกลุ่มที่1กับ2กลุ่มที่ ห, นหนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเข้ามาใหม่ๆข้อวัดปฏิบัติยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเก่งนักอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ารักษาศีลแปด ตกล่วงไปข้อใดข้อหนึ่งก็ยังส่งสภาวะเอาไว้ได้หมายความว่าอาราธนาใหม่ได้แต่บุคคลที่เขาเจริญมาดีแล้วนะคะส่วนใหญ่เท่าที่พบก็คือเขาจะรักษาอุโบสถทุกวันหมายความว่าเป็นศีลแปดข้อที่จะต้องอยู่ประจำตกล่วงไปข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ถ้าตกล่วงไปก็ถือว่าขาดทั้งหมด นะคะเพราะฉะนั้นการระมัดระวังเนี่ยมันแตกต่างกันการสมรวมแตกต่างกันถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็สามารถสมาทานอุโสถทุกวันได้ค่ะตรงนี้มีคำถามไหมคะพอเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วอันนี้เอาพูดเรื่องศีลก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงระหว่างการปฏิบัติค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณแม่ชีที่ท่านมีอินทรีย์แก่กล้ามากแล้วแล้วก็ ถนาประพติขัดเกลากิเลส ข, ของตนมากขึ้นก็เจริญสิน1ิศสิน10ิบหมายความว่าสีล8ข้อเดิมนั่นแหละนะคะแยกข้อที่ข้อที่7ออกเป็นสองข้อก็เลยเป็น9นะคะแล้วก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่10งดเว้นรับเงินและทองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกองงังวลตัดได้มันเป็นเครื่องปริโภทที่ ที่มันยิ่งใหญ่อะคะ่ะจะต้องจับจ่ายซื้อหาจะต้องกังวลอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็รักษาสินสิบเหมือนท่านสร ม, มนเนตรคะในในกรณีของแม่ชีที่มีสินแปดก็ดีนะคะเป็นอุโบสถสินก็ดีหรือสินสิบก็ดีก็เจริญเขาเรียกว่าเสกคียวัดอีก75ข้อนะคะดังนั้นจึงจะแตกต่างกับ คุณย่าคุณยายที่รักษาศีลแปดหรือว่ารักษาอุโบสถก็ตรงที่ต้องรักษาจริยวัดอีก75ประการด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทําหรือไม่ทําก็เป็นการประพฤติขัดเกลาตนอันนี้เป็นศีลของแม่ฉีจริงๆแล้วเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานะคะก็เหมือนกันกับพวกเราที่เป็นผู้หญิงนะคะเพียงแต่ว่ า, าใช้โอกาสในการในการถือบวช นะคะที่จะทำให้เรามีโอกาสขัดเกลากุศลได้มากขึ้นอยากบอกนะคะว่าถ้าได้บวชสักครั้งหนึ่งในชีวิตอาจารย์พูดค่อยไปค่ะ อ, อ่าค่ะขอบคุณอยากบอกว่าถ้าสุภาพสตรีท่านใดนะคะมีจิตใจอยู่บ้างแล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนบวชสักครั้งเถอะในชีวิตแล้วท่านจะรู้ว่า มันมีความรู้สึกยังไงนะคะมันแตกต่างมากเลยฮะกับตอนที่เราเจริญามาถือให้ขมมะก็ดีอะไรก็ดีค่ะสักพันษาหนึ่งนะคะเราไปรวมตัวบวชกันที่สำนักของคุณแม่ชีที่ท่านพระอาจารย์มีชัยเชิญชวนค่ะแม่ชีท่านนั้นน่ารักมากทีเดียวนะคะค่ะนะ ถ, ถ้าสนใจก็เอาเบอร์โทรกันไว้แล้วเรามารวมกวนกันเถอะ <c oughs> นะคะอันนี้จบแล้วในเรื่องของศีลมีคาถามไหมคะ มารวมกวนกันบวชชีสักปีละหนึ่งพันษานะคะหรือปีสักสิบห้าวันปีสักเดือนก็ได้แล้วท่านก็จะรู้ว่าความเบาสบายแล้วความแตกต่างมันเป็นยังไงอันนี้เป็น เป็นโฆษณาเล็กๆแต่เป็นโฆษณาจากใจค่ะตอนนี้เรื่องการปฏิบัตินะคะระหว่างสุภาพบุรุษกับที่ปฏิบัติกับคุณแม่ชีเนี่ยค่ะก็ใช้ความสุภาพอ่อนโยนตามปกตินะคะผู้จ่ายก็ได้ตามปกติคือครับผมได้ตามปกติอย่างเช่นท่านท่านจะไปไหนครับเดี๋ยวผมเดินไปเป็นเพื่อนไปส่งเนี่ยได้แต่ไม่เดินเคียงไหลกันทานองเนี้ยถ้าสมมติว่าไปในที่ที่มันกันดา น, นัก สามารถเอาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปได้นะคะเอาเอาซ้อนไปได้ค่ะนะคะ <c ười> คือให้อยู่ในเพราะว่าเขาระมัดระวังที่ใจส่วนข้อประพฤตินั้นก็ให้อยู่ตามสถานการณ์นะคะ อ, อ, อะไรอีกละ่ะถ้าเรื่องการเชิญให้รับประทานอาหารก็ใช้คำปกติก็ได้หรือจะใช้คำว่ า, าฉันอันนี้ไหมครับ หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช้ได้2 อ, อ, อระบบนะคะคือใช้ภาษาของพระบางส่วนได้เช่นฉันอันนี้ไมครับรับเครื่องดื่มอันนี้ไมครับฉันน้ําปานะไมครับอย่างนี้ได้ค่ะแล้วเวลาที่จะส่งให้ น, ะ, นะคะถ้าเรามีภาชนะรองก็ดีการส่งให้ท่านด้วยถาดถ้าไม่มีก็คือวางไว้ที่พื้นนะคะแล้วท่านก็รับหยิบไปเอง ะะดูแลท่านได้ตามปกติถ้าเป็นลมอุ้มได้นะคะอนุญาตมีอย่างอื่นไหมคะขอบพระคุณมากค่ะเป็นคำถามที่น่ารักบวชมา6ปีไม่เคยเจอคนที่ถามอย่างนี้แสดงว่าเขาเขาคงคิดเอจะต้องทำยังไงแต่ น, นี้เมื่อกี้ท่านท่า น, ท, านท่านสมเนรเปิดโอกาสให้พูดคือตอนนี้กำลังเปิดหลักสูตรการศึกษาทางปรัชนีใหม่อีกหนึ่งหลักสูตรนะคะ นะคะคือหลักสูตรเดิมคือการศึกษาพระอภิธรรมทางไตรสณีนะคะหลายคนอาจจะรู้จักอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะเปิดใหม่จะใช้เวลาประมาณสองเดือนไม่เกิน3เดือนถ้าสองเดือนเสร็จเนะี่ยก็คือสิ้นปีนี้นะคะถ้าสองเดือนไม่เสร็จก็ต้องไปเปิดเองมกลาปีหน้าจะเป็นหลักสูตรพระวินัยค่ะ สนใจไหมคะจริงๆหลักสูตรนี้ตั้งใจมาเกือบ5ปีแล้วแต่ไม่ได้โอกาสทําสักทีปีนี้มีโอกาสได้ทําแล้วว่าเราควรศึกษาพระวินัยไว้บ้างเพื่อเป็นการสืบทอดและก็รักษาคําสอนในพุทธศาสนาของเรานะคะด้วยหัวใจของคําสอนไม่ใช่ด้วยหัวใจของการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็ไม่มีข้อมูลเลยว่าเราเชื่อเขาด้วยเหตุผลหรือเชื่อเขาด้วยการไม่รู้ ะะก็เลยจะเกิดหลักสูตรนี้มาถ้าสนใจนะคะหน้าห้องมีที่ลงชื่อถ้าอยากจะเรียนหลักสูตรพระวินัยช่วยวงเล็บไว้ด้วยถ้าจะเรียนหลักสูตรพระพิธรรมก็ไม่ต้องวงเล็บเพราะเป็นหลักสูตรเดิมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นใครที่เรียนพระพิธรรมอยู่แล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตเชิญชวนเถอะมาศึกษาพระวินัยกันในในข้อมูลที่เราจะต้องรู้แล้วก็ส่งคำสอนเอาไว้นะคะตั้งใจว่าน่าจะไปประมาณไม่เกิน4ี่หรือ5้าชุดก็พวกเราน่าจะครอบคลุมความรู้ในส่วนนี้ค่ะมีใครอยากเรียนไหมคะ ไม่มีเลยไม่เป็นไรคะ่ะวินยัยขออนุญาตแม่จีเ อ, อวินัยภิกษุหรือว่าวินยัยคาลึหัดหรือภิกษุณีช่วงแรกนี้จะเป็นวินัยของพระภิกษุ227ข้อเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็สรุปมาจากคัมภีร์เล่มไหนคือคัมภีร์พระวินัยปิฎกเล่มนี้กล่าวเอาไว้ถึง ห, หมวดไหนหมวดไหนนะคะโดยเฉพาะ227ข้อเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่พระภิกษุ เลวพระภิษุจีนนะคะท่านภาษสังกัมจังก็ดีแล้วก่อนหน้านี้ก็คือท่านฝ่าเหียนนะคะท่านพระพิษุฝ่าเหียนเนี่ยคะ่ะที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียเนี่ยไปสู่ทางทางบ้านเกิดเขาก็คือทางจีนบ้างทางมงงกลบ้างทางอะไรบ้างเนี่ยก็รับโดยยติ2 2ง เข้อมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะคะจะชี้ให้เห็นล่องลอยตรงนี้แล้วก็เป็นลักษณะของประวัติศาสตร์ในการที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีลังกาก็ดีพม่า ก, ก็ดีเนี่ยเขาถือโดยศีลของพระพิสุเนี่ยจำนวนนับรวมแล้วคือ227เข้อเนี่ยเนื่องมาจากการถือมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็อยู่ในสูตรไหนบ้างชุดแรกเนี่ยจะออกในเรื่องของ วินัยของพระพิสุค่ะนะคะแล้วชุดที่ชุดถัดมาก็จะเป็นภิกษุณีซึ่งมันจะคล้อยกันคือจะมีส่วนที่ซ้ำกันเรียนเพิ่มอีกนิดนึงก็จะทราบแล้วว่าภิกษุเออขาอพย ศีลของภิกษุนีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วอาจจะสรุปท้ายบทในกรณีที่เถรวาดเราเนี่ยถือโดยความเป็นภิกษุนีเนี่ยมีอยู่ในเหตุผลใดและไม่มีอยู่ในเหตุผลใดส่วนที่มีอยู่นั้นเขามีอยู่ในฐานะไหนจะเป็นลักษณะนี้ในชุดที่2นะคะส่วนชุดที่3ชุดที่4ี่ก็จะเก็บประเด็นว่าถ้าจะศึกษาในส่วนของคอมภีพระวิไนเนี่ยเราจะมีแผนที่ในการเรียนด้วยตนเองอย่างไรทานองนี้คะ่ะ พอดียังเป็นโครงอยู่ฮะยังอยู่ในสมองอยู่กําลังเลี้ยบเรียงค่ะจ ะ, ะจะทำภายในประมาณ2เดือนนี้นะคะจริงๆแล้วอยากเชิญชวนให้อ่านนะคะไม่ต้องเรียนมาเป็นแบบนักศึกษาก็ได้นะคะมารับชุดบทชุดชุดที่ทําออกมาเป็นคู่มือเนี่ยรับไปอ่านเองไปศึกษาเองไม่ต้องมาเป็นแฟนกันไม่ต้องมาเป็นนักศึกษากันก็ได้ค่ะค่ะมีอย่างอื่นไหมคะ ะะและอีกหลักสูตรหนึ่งที่ต้องทําอีกอันนึงก็คือหลักสูตรพระสูตรค่ะนะคะเราจะได้เห็นว่าโครงสร้างใหญ่ๆของพระสูตรนั้นมีอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะในทีฆานิกายเนี่ยมีสูตรอะไรที่เราควรสนใจและที่สําคัญสูตรยาวๆอย่างทีฆนิกายเนี่ยแทบจะไม่มีสํานักหรือว่านักเรียนเนี่ยมาสืบต่อในการเรียนแล้ว ที่ตอนเรียนตอนนี้ก็เรียนกันอยู่ในลักษณะที่ย่นย่อกระชับแล้วนะคะถ้าเราไม่ส่งอันนี้เอาไว้โอกาสในการกัดกร่อนของคำพีเนี้ยจะหมดไปทำนองนี้ต้องการจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสืบทอดแล้วก็คงคำสอนไว้นะคะให้กาลังใจกันนะคะยังไงก็มาเรียนนะคะไปจดชื่อไว้ค่ะขอบคุณค่ะพระท่าน อ, อแล้ว อ, อาจารย์แม่ชีสอนอะไรที่ไหนอีกบ้างเอ่ยนอกจากทาอภิธรรมอภิษณีนนก็ตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครสนใจที่จะศึกษาพระพิธรรมแบบเป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงกันสักทีหนึ่งอ่ะนะคะอยากเชิญชวนให้ไปที่มูลนิธิบ้านอารีคะ่ะเพิ่งเปิดหลักสูตรเบื้องต้นนะคะเพิ่งสอนไปได้แค่สามครั้งเองหลักสูตรนี้ใช้เวลา9เดือนคะ่ะจะจบ สิ้นโครงการประมาณเดือนพฤษภาปีหน้านะคะเรียนเฉพาะวันเสาร์เช้า8นาฬิกา30นาทีถึงบ่ายสองนะคะเรียนวันเดียวพอเลยใช้เวลายาวหน่อยคือประมาณ9เดือนนะคะอยากบอกว่าพวกเราควรไปเรียนเป็นพื้นเอาไว้ในกรณีของเบื้องต้นของพระพิธามเนี่ยคือเราเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนะคะ แล้วก็เรื่องพระนิพพานส่วนใหญ่ๆคือจิตเจตสิกและรูปเนี่ยเมื่อเรียนแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในกรรมฐานทั้งนั้นเลยนะคะข้อวัดปฏิบัติในส่วนของสติปัฏฐานสี่นะคะกายเวทนาจิตธรรมโดยสรุปแล้วเนี่ยไปเรียนจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็คือการศึกษาสติปัฏฐานสูตรโดยพิสดารนั่นเองนะคะในจิต ในจิตปรมัติก็คือจิตตานุปัสนาสติปฐานโดยพิสดารเบ็ดเสร็จเบ็ดเด็ดขาดก็อยู่ตรงนี้แหละ เพียงแต่ว่าตอนที่เรียนเนี่ยเราจะเก็บหัวใจของเขาได้แค่ไหนถึงแม้นไม่ได้นะคะเราได้โดยรายละเอียดแล้วเวลามาปฏิบัติรามพระอาจารย์ท่านอธิบายให้ฟังไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เนื่องด้วยเวทนาบ้างด้วยจิตบ้างนะคะด้วยสัญญาความจำบ้างด้วยธรรมะหลากหลายก็คือธรรมานุปัสสนานะคะเพราะฉะนั้นไหนๆจะเดินบนเส้นทางพุทธแล้วเนี่ยเราศึกษาพื้นฐานตรงนี้เอาไว้นะคะเก็บเป็นทุนเอา ไว้เวลาที่เราไปสู่สำนักปฏิบัติเนี่ยเราก็จะฟังในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแล้วก็แตกในฐานะของการสามารถที่น้อมนำมาเข้าใจเมื่อเข้าใจมันถึงจะแทงตลอดเมื่อแทงตลอดมันถึงจะทำไมครับได้ถึงสัจจะนะได้ถึงสัจจะนมันถึงจะหลุดพ้น มันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระโดดข้ามขั้นว่าแม้นชื่อแม้นนามลักษณะเรายังไม่รู้จักเนี่ยเราจะไปแตกลักษณะของเขาได้อย่างไรเมื่อแตกไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงสัจจความเป็นจริงไม่ทราบว่าอะไรคือทุกข์ไม่ทราบว่าอะไรคือสมุ ท, ทยัย ถึงแม้นเรียนในชาตินี้เราอาจจะบอกว่ามันเสียเวลาหรือเปล่านะคะเรียนไปก็รู้สึกว่ามันจะพะลุงพลังหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้พระปริยะทั้งหลายเขาผ่านมาหมดแล้วเขาถึงได้ชั่วโมงเดียวเด็ดๆง่ายๆในเวลาที่ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วเขาบรรลุปิงได้ก็เนื่องจากว่าเขาสะสมในสิ่งปริยัติที่เราคิดว่ามันยากหรือว่าพะลุงพลังนั่นเองแต่ถ้าเราเรียนด้วยใจรักเนี่ยมันจะมีความสุขค่ะ อ้ก็อนุโมทนานะเนอก็รู้จักกับแม่ชีมานานเหมือนกันแล้วอาอาจารย์แม่ชีก็เวลามีโยมผู้หญิงมาถามอาตมาว่าเป็นผู้หญิงเราจะบวชยังไงอาตมาก็ยังไม่มีคําตอบให้เขาที่กระจ่างชัดแต่อาตมาจะชื่นชมอาจารย์แม่ชีเป็นส่วนตัวว่าเนี่ยบวชมาต้องได้อย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงอะ่ะเอพวกเราว่าแม่ชีเก่งไหมเก่งเนะเออ บ้านอาลีก็ไปง่ายแล้วก็สถานที่สะดวกอาหารมังสวิรัตอร่อยอร่อยน้องๆ้องยูฟู้ดน้องน้อ ง, อ ง, องยฟู้ดนายอมแม่ชีเนี่ยจริงๆท่านก็พูดถ่อมตัวนะว่าเป็นอุบาสิกาแต่ว่าจริงๆรแล้วเป็นนักบวชเหมือนกันโยมเป็นนักบวชพูดถึงไตรานาคมเหมือนกันนายมนะมก็เพราะว่าตามองคุณแล้วนะในหลักฐานชั้นดีกาเนี่ยที่อาตมาเข้าใจ ก็เป็นอาหุนเนโยเหมือนกั น, ก น, กกนโยมอาหุนเนโยปาหุนเนโยเหมือนกันแล้วก็อัญชลีกัลนิโยเหมือนกันมีสข้อนะโยมนะเออหลักฐานชันดีกาท่านว่าอุบาสกอุบาสิกาพูดถึงไตรสนาคมผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงกระแสสวสดาปฏิมาคเนี่ยทำบุญกับท่านนะ่ะก็ให้ผลประมาณไม่ได้เหมือนกันนะโยมนะเออก็ บางทีนั่งสมาธิอย่างเดียวโยมบางทีบางคนว่างงานล้วเนี่ยมันตื้อโยมนะบางทีไปมีสิ่งแวดล้อมเพราะว่านิวรณถ้าว่าโดยอย่างยอดมันมี5อย่างพิสดารมันมี8นะตัวที่เป็นต่อต้านนิวรณ์ได้ตัวหนึ่งก็คือกุศล น, นะกุศลก็จะทำให้นิวนรณลดลงกุศลจากการที่ไปเรียนอย่างนี้โยมไปเรียนธรรมะ เอออภิธรรมมันไม่ได้เป็นยากอะไรเหมือนชื่อมนอังยมเหมือนคล้ายๆเรียนภาษามันแม่ชีก็พูด7ปี7ปีครึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเรียนแค่อาทิตย์หนึ่งสองสชั่วโมงไม่เกิน6ชั่วโมงก็อาตมาเคยเรียนมาแล้วเหมือนเรียนภาษายมแต่จริงๆที่นํามาใช้โดยไม่ต้องละเอียดแต่พอมาใช้ที่ประจําวันได้พอที่จะปิดบาปได้นาโยมก็เรียนแค่3ปีคิดว่าไปเรียนภาษา3ปีนี่นานไปไหมเราเป็น ไม่นานนะโดยเฉพาะนี่เป็นภาษาของพระพุท ธ, ธเจ้าโยมควรจะเรียนกันนะเออก็ช่วยแม่ชีโฆษณา <c oughs> เวลาอย่างหนึ่งเนี่ยคือความสุขวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องความสุขอานาปสัสติก็คือความสุขเอออาตมาได้ภาสิทธมาหนึ่งนะจากที่นี่อาตมาไปจำบรรษามานะจะเล่าให้โยมฟังก็จำง่ายๆนะ เมื่อเกียรติคร้านก็ไม่มีความรู้พอไม่มีความรู้ก็ไม่มีงานทำพอไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินก็ไม่มีเพื่อนพอไม่มีเพื่อนก็ไม่ได้ความสุขพอไม่ได้ความสุขก็ไม่อยากทำบุญพอไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้สิ่งที่ประเสริฐเออ ถ้าบางคนอยู่ในช่วงข้อนี้นะข้อที่ว่าพอไม่มีเพื่อนก็ไม่มีความสุขบางทีเรามาถามว่าทำไมมันไม่มีปาโมดในชีวิตอะ่ะบางทีมันเหงาเล ย, ยไม่รู้ตัว อ, อะ่ะว่ามันเหงานะการไปเรียนก็อาจจะทำให้มีเพื่อนขึ้นมาพอมีเพื่อนปุ๊บมันมีความสุขพอมีความสุขมันอยากทำบุญพอทาบุญแล้วก็จะได้สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตนะโยมนะก็สนับสนุนให้พวกเราไปเรียนเหมือนกันนะ คำถามมันใหม่อีกแล้วโยมเดี<笑><笑>๋ยว<บ>อาตมาจะตอบไปก่อนนะเออเท่าที่พอตอบได้ก็ขอโอกาสพระเทลานุเถระในการกล่าวธรรมะแล้วกถ็ถ้าเกิดตอบแล้วไม่เคียร์โยมก็ถามวนะ่าอาตมาคือนิสัยตอนเป็นคาราวาสคือทำงานที่มันคล้ายๆเหมือนอยู่ในตลาดหุ้นนะโยมพูดอะไรไวๆนะ คำถามแรกนะโยมนะถ้าอันไหนถามไปนะโยมบอกด้วยนะเพราะมันรู้มันปนกันหรือเปล่าคือคนนี้ประทับใจพระอาจารย์มีชัยมากอยากให้หลานชายมาบวชก็เลยถามพระอาจารย์มีชายอยู่ที่ไหนอาตมาก็ไม่อยากละเมิดลิขิตนะโยมนะเดี๋ยวให้พระอาจารย์โยมมาคุยกับพระอาจารย์มีชายเองนะโยมนะมถวายสังฆทานสำเร็จแบบถังชุดที่ของหมดอายุคนถวายจะบาปไหม ข้อหนึ่งนะก็ไม่บาปนายโยมเพราะเจตนามเป็นเจตนาที่เป็นกุศลอืถ้าถามว่าแค่บาปไหมไม่บาปแล้วก็กรรมที่ทําโดยไม่ได้เจตนานายโยมไม่ต้องคิดมากเพราะไอ้กรรมที่โยมทําเจตนาดีใหม่ๆเยอะๆเนี่ยมันจะต้องให้ผลก่อนเพราะเจตนามันแรงกว่ายมเวลาเราทําอะไรที่ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยสมาทานใหม่เราทํากรรมดีๆใหม่ ข้างหน้าเราก็แค่ระวังมากขึ้นหน่อยหนึ่งนิยมนะเวลา น, นั่งปฏิบัติธรรมเช่นนั่งสมาธิฟังพระเทศส่วนมนต์มีอาการคันตามผิวหนังจะเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมหรือไม่ควรทําอย่างไรเออถ้าไม่ได้เป็นโรคผิวหนังก็สันนิษฐานอาการหนึ่งนิยมนะคืออตาตมาก็ได้ประสบการณ์นี้จากการนั่งสมาธิเหมือนกันนิยมคยเรานั่งอยู่สมาธิอยู่ดีๆแล้วมันนึกว่ามดกัด แตลืมตามานลมันไม่มีอ่ะเคยไหมโยมเอออัตมาดาว่ามันเป็นอาการของเขาเรียกกุกุจจาําคานลาคาญอยู่ในใจนะมันเลยส่งผลออกมาทางร่างกายอ่ะเอออาจจะเป็นหนึ่งในอาการที่อาจจะเป็นไปได้นะโยมเนะเ ข, ขคิดว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับเวรกรรมมั้งโยมเออ แต่ถ้าถึงมันเกี่ยวอาตมาก็ไม่รู้อยู่ดี <c oughs> <c oughs> นะ ừ. บางทีเรามองอะไรนะโยมเราแก้พยายามแก้ที่เหตุปัจจุบันมากกว่าอย่าไปมองาศาสนาพุทธว่าเป็นาศาสนาที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องมองไม่เห็นหรือเหนือธรรมชาติอะไรจริงพระพุทธเจ้าให้น้ำหนักตรงนี้ค่อนข้างน้อยมากเลยในคำสอนอให้น้ำหนักจริงๆคำสอนเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องเหตุปัจจุบันค่อนข้างจะมากแม้กระทั่งเรื่องสวรรค์นรกหรืออะไรเนี่ยจริงๆกล่าวไว้ค่อนข้างจะน้อยเนียนาโยมนะเอาขอผ่านไปนะก็อยากทราบความหมายของบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีบารมีก็คื อ, อ, อกุศลที่เราจเจริญแล้วประกอบด้วยปัญญา นะมีเป้าหมายเพื่อโพธิญาณอย่างใดอย่างหนึ่งสัมมาสัมโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณหรือสาวกะโพธิญาณ น, นะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี่ก็คือความหมายของบารมีทีนี้ในบทสวดมันมีบารมีธรรมดากับอุปบารมีแล้วก็บารมิทธบารมีถ้าเย็นเช่นยกตัวอย่างเรื่องทานบารมีก็คือการสามารถสละทรัพย์ภายนอกได้นะสิ่งของภายนอก ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนี่เป็นบารมีอุปบารมีคือสละอวัยวะของตัวเองได้เรียกอุปบารมีอย่างเช่นเราจะรักษาศีลจะไม่ละเมิดศีลยอมสละอวัยวะได้เป็นศีลละอุปบารมีปารมัตบารมีก็คือเนื่องด้วยชีวิตแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองก็สละได้เพื่อจะรักษาบารมีข้อนั้นๆนะโยมนะ อย่างเช่นชาติไหนใ น, ในชาดกชาติที่เป็นกระต่ายบัณฑิตนะท้าวส ก, กะแปลงเป็นพรามมาทดลองว่าจะสามารถสละชีวิตตัวเองได้ไหมกระต่ายไม่คิดมากเลยโยมเป็นพระโพธิสัตว์แค่สละเห็บหมัดแล้วก็กระโดดเข้ากองไฟปิ้งเนื้อของตัวเองให้พรามที่มาขอได้เลยโยมนะอย่างนี้เป็นปารมาธบารมีตรงนี้อ่านไปหาอ่านได้ในจริยาปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม75ห ใน91เล่มนะโยมเราเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสารบัญย่อๆปุ๊บโยมก็ไปขยายความเองมันจะมีชื่อชาดกอยู่โยมก็ไปอ่านชาดกชาดกก็จะคือเล่ม 55-64 ถึงนะชาดกจะมี10เล่มคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิสัมพันธ์กับฌานสี่อย่างไรจานนิมนต์ครับผมนิมนต์ครับ สาธุอุชนาจ่ะนั่นเดี๋ยวตอบคำถามต่อนายโยมเนาะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วไม่รู้อ๋อเดี๋ยวหน่วยกู้ภัยมาไวจริงนายโยมนะก็มีคนถามว่าคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิสัมพันธ์กับฌาน4ี่อย่างไรอ่าหมายถึงสมาธิสนะคณิกะอุปจาระและอัปปนาสมาธิ เนื่องจากคำถามได้ยินว่าเยอะมากนะยมนะจะไม่ตอบยาวนะโยมก็คือถ้าสัมมั่นกระชานอย่างไรนะพวกคณิกะ ก, กับอุปจารสมาธิเป็นกรรมฐานเออเป็นเป็นสมาธิที่ยังไม่ถึงฌานนะยังไม่ถึงฌานส่วนอัปนาสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่เริ่มจะเข้าถึงและถึงฌานนั่นเองนะก็คืออุปจอัปนาสมาธิเนี่ยเป็นในปฐมฌ า, านทุติตติตุ พวกนี้เป็นกลุ่มอัปนาสมาธิทั้งหมดเลยอัปนาที่แปลว่าวกับสัพคำฐานสมาธิที่แนมแน่นแล้วนั่นเองแต่ในตอบเกินอีกนิดนึงพวกอุปจารสมาธิในกลุ่มกรรมฐานที่เป็นนะกรรมฐานที่เป็นจตุธาโรฐานอาหารเลปักกุลสัญญาเหล่านี้จะเป็นอุปจารสมาธินโยมเนาะจะเป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าเป็นอนาปสติเนี่ย เมตตาเหล่านี้เป็นต้นนะก็จะเจริญได้ถึงอัปปนาสมาธิตามคันลองของเขาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเจริญปุ๊บต้องเป็นอัปปนาทุกครั้งนะโยมนะมันจะต่ตั้งแต่อุคณิกะอุปจาระและอปปนาแต่จามีกรรมฐานบางกรามาฐานเช่นจตุธาวัฏถานอาหารเรปตะกุลสัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะที่จะเป็นสูงสุดของเขาได้เป็นแค่อุปจารสมาธินั้นตอบตรงนี้สั้นๆอย่างนี้นะ เมื่อกี้ตอ น, น, นมาได้ยินว่ามีการแนะนำว่าอยากรู้เพิ่มก็ศึกษาเลยก็ดีโยมนะศึกษาเลยก็ดีนะมีทั้งตําราก็เยอะครูสอนก็เยอะดีไหมนะจ้ะการทำบุญลงศพในสถานที่รับบริจาคด้วยเงินหนึ่งร้อยบาทแต่มีเพื่อนบางคนบอกว่าทำมากก็ได้บุญมากจริงหรือเปล่าคะดิฉันมีปัจจัยไม่ค่อยเยอะคะ่ะ แต่เพื่อนดิฉันรวยเขาก็ถวายบ่อยและเยอะแต่ดิฉันก็นานๆครั้งค่ะอ๋อก็เป็นจริงอย่างนั้นนะโยมนะทำเยอะก็ได้บุญเยอะทำน้อยก็ได้บุญน้อยแต่แต่เยอะกับน้อยไม่ใช่เงินเป็นเจตนาเจตนามปว่าความตั้งใจนะความตั้งใจความตั้งใจที่จะให้ถ้าตั้งใจเยอะเช่นภาษาบาลีคนก่อนพูดไปแล้วทีหนึ่งนะโยมนะ บุเพทานาสุมโ น, โนท้ทางจิตตังภาษาทะเยทัตวาอัตมนโนโหติยัญยัสสะสมธาบุเพทานามสุมโ น, โนก็แปลอย่างนี้นะโยมนะก่อนให้ก่อนจะให้แล้วก็มีใจยินดีขณะให้ก็มีจิตเรื่อมใสหลังจากให้แล้วมีใจเป็นของตนใจที่เป็นของตนก็คือใจที่ยินดีนั่นเอง เ, องเนาะหลังจากให้ไปแล้วก็จิตคิดครั้งไรก็เพิ่มใจปะาเพิ่มใจอ ย, อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าให้เยอะให้มาก เพราะปกติเวลาพวกโยมให้ทาแล้วตามกลับมาระลึกนึกถึงไหมตามไหมโยมไม่ได้ตามใช่ไหมไม่ได้ตามแล้วว่าให้น้อยโยมสักพันล้านสละเสร็จแล้วลืมเลยเรียกว่าให้น้อยแต่สละสักสิบบาทหรือไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยโยมสมมุตินะเอาสมมติพรุ่งนี้นะโยมนะโยมก็ไปเอาอาหารที่โยมที่เขาแจกที่เขาแบ่งให้โยมโยมก็ไปรับมาเนอะโยมเนาะ แล้วโยมสมมติเอามาสไลบาทพี่เนนหนึ่งเนี่ยนะพี่เนนเอกเราเนี่ยนะโยมนะโยมได้บุญไหมได้ไม่ได้ไม่ได้แน่เลยไม่ได้ซื้อใช่ไหมโ ย, ยมได้ไม่ได้ได้นั่นเองนะแล้วถ้าสมมติโยมซื้อก็ไม่ไซื้อนะถ้าโยมลึกที่อะไรวะแม้โชคดีจังได้มาถวายอาหารพระภิกษุครูบาอาจารย์นะอย่างนี้เป็นต้นนึกร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบแล้วก็ดีใจอันนี้ได้บุญเยอะกว่า ถวายพันล้านอีกโยมถวายพันล้านแล้วก็ลืมเลยยิ่งถ้ามุดถวายพันล้านแล้วโอ้ลูกงี้ไม่น่าให้เลยให้ไปทำไมก็ไม่รู้อย่างนี้นะยิ่งไม่ค่อยได้บุญหนักเลยโยมเนาะแล้วถ้าเราตอบเกินอีกนิดนึงนะว่าจะตอบสั้นนั่นแล้วก็เราไปคิดเปรียบเทียบเลยโยมว่าเราถวายร้อยเดียวได้บุญน้อยคนนั้นถวายสองพันได้บุญเยอะเป็นต้นเขาเรียกว่าให้ทานกระทบตนกระทบคนอื่น ให้ทานกระทบตนกระทบคนอื่นนะมีอั น, นิี้สองอย่างไรถ้าทานกุศล น, นั้นให้ผลก็จะเป็นผู้มีทรัพย์แต่ด้วยการคิดกระทบกันไปกระทบกันมาอย่างนี้ทรัพย์จะพินาศเช่นได้ทรัพย์มารถก็เจ๊งซ่อมรถบ้านก็พังซ่อมบ้านนะได้ทรัพย์มาเป็นไงพอดีเลยลูกขับรถไปชนเข้าโรงบานก็จ่ายตังค์อีกก็จะแแมกกันอย่างนี้พอดีพอดีอยู่เรื่อย มีซับมาก็เสียเงินมีรับมาก็เสียเงินนะแต่ถ้ากลับการให้ทานแล้วไม่กระทบตนกระทบคนอื่นในสับริสถานหนะโยมนะให้ทานไม่กระทบตนกระทบคนอื่นก็จะเป็นคนที่เวลาให้ทานแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจว่าเราเสียเงินเยอะเสียเงินน้อยวัตถุ ก, ก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่ได้สนใจเลยโยมไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยใส่ใจ ด, ดีใจเราได้ให้ของที่เราคิดว่าดีแล้วให้แล้วก็ให้ไปของนั้นจะดีหรือด้อยกว่าคนอื่นไม่ได้คิดหรอกอย่างนี้นะ ผลของทานจะทําให้มีทรัพย์ผลของการไม่กระทบตนกระทบคนอื่นจะทําให้มีทรัพย์แล้วมั่นคงยั่งยืนถาวร น, นะไม่ถูกชํารุดเสียหายทําลายได้เคยเห็นคนบางคนในโลกนี้ไหมโยมมีรถใช้มาสิบปีไม่เคยซ่อมเลยมีเนาะหรือบ้านน่ะอยู่มาแล้วสิบกว่าปีไม่เคยเจ๊งไม่เคยเสียหายเลยอยู่แต่คนบางคนซื้อสร้างบ้านมันไม่ถึงสองปีเลย แอร์ก็เสียไฟก็ช็อตนู่นก็บ้านก็รั่วนี่อะไรนี่มันบ้านใหม่นะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเงินไม่ได้ซื้อถูกๆเลยนะแพงก็แพงต้องหลายล้านยังจะเสียเสียหาอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอันิส่งของการทำบุญแล้วไม่เข้าใจวันนี้โยมเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวโยมจะทำบุญได้เป็นเดี๋ยวมันจะตอบเกินเยอะอ่ะข้อถัดไปผมขอถามแทนแล้วกันนะเพราะว่ามันผมเป็นคนจี น, นต้อยลองศบนะภาษาจีนต้อยลองศพ นะมันมันเท่ากับให้อะไรในวัตถุสิบอย่างในแนวพระสวดหรือว่าให้อะไรใน6อย่างในแนวพิธรมกับไอต้อยลงศพเนี่ยครับให้อะไรดีล่ะ อ, อให้อะไรดีล่ะ <c oughs> ให้เสนาสนะได้ไหมเนี่ยที่นอนได้ไหมโย <c oughs> แมแหมเล่นเอาอย่างนี้เช่นนีก็ตอบยากสิเดี๋ยวกิ็ไปตอบไม่ดีขึ้นมาโยมเขาไม่ไปทําบุญลงศพนะเนี่ย <c oughs> เออมันก็เป็นบุญนะโยมนะก็เวลาเขาในพระสดุสิบอย่างหรือว่าในพระวินัยมีสี่ก็คือให้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคพวกนี้นะเออถ้าจัดหมวดสี่ก็เป็นพวกกลุ่มที่อยู่อาศัยแล้วกันน้โยมเนาะโ <c oughs> ยมต้องเอาไปใสนอนไหมล่ะนอนแต่คนตายแล้วนอนนะก็คนจีนก็ถือเป็นบุญใหญ่น้โยมเนาะถ้าเราทําแล้วเราชื่นใจก็ยังดีดีกว่าไม่ทํา ไม่ตอบตอบอย่างนี้ดีกว่าคนจีนถ้าคนจีนเ็าเชื่อว่าเป็นบุญใหญ่โยมแล้วถ้าเราเป็นเชื้อจีนเราไปทำแล้วก็ได้บุญเราก็ทำแล้วเราชื่นใจเราคิดว่าเราทำได้ดีอะ่ะนะเราช่วยเหลือคนยากคนจนนี่เขาไม่มีกําลังทรัพย์จะซื้อโรงศพเนี่ยนะเออแล้วเราก็เลยไปช่วยเขาอย่างนี้ดีโยมแต่ถ้าเป็นงมงายไม่ดีเลยโยมเนาะไม่ดีนะเอาตอบเท่านี้ได้ไหม กูยังสงสัยอยู่ต่ลงมันได้ช่วยญาติคนตายไม่ได้ช่วยตัวคนตายใช่ไหมครับก็จริงๆก็ช่วยญาติคนตายมั้งเนาะไม่เคยรู้เหมือนกันน่ะว่าเขาเอาไปทําอะไรกันฉันไม่รู้นะเนี่ยไม่เคยไปทําเลยเออจำนาไม่เคยไปทําบุญแบบนี้นะโยมนะก็ตอบไม่ได้ดีกว่าโยมเดี๋ยวตอบผิดเข้าไปมันจะไม่ดีกระทบคนอื่นเขาอ้าอ่าขอผ่านนะครับประเด็นร้อนผ่าน เ, เรื่องการทําบุญข้อ1เวลาวถวายสังฆทานตามวัดเช่นงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตมีการถวายสังฆทานจนถึงเวลากลางคืนจะได้บุญหรือไม่และการถวายในเวลากลางคืนและชุดสังฆทานแบบถังเวียนที่ทํากันกับไอที่เราไปซื้อถวายเองต่างหากบุญมันจะต่างกันไหมมี2ประเด็นนะครับก็คือถวายสังฆทานกลางคืนได้บุญหรือไม่ และระหว่างไอสังกทานเวียนที่อยู่ในวัดนั้นๆเธอสถานที่นั้นๆเนี่ยกับที่เราซื้อมาถวายอย่างต่างหากมันได้บุญต่างกันอย่างไรครับเอาเขาตอเป็นแบบแบบอย่างนี้แล้วกันนาโยมนะสมมติอาตมามีถังสังกทานแล้วมันเหลือเฟืองเงี้ยนะเหลือเฟืองก็สามารถทําการผาติกรรมได้ไม่ใช่ซื้อขายนาโยมนะแต่เป็นการผาติกรรมตามวินัยมาพูดแบบที่ถูกกันเนาะ ก็ทําการผาดิกรรมได้วิธีผาดิกรรมเช่นสมมติอะไรดีตมามีถังสังคทานอยู่เนาะเอาตามโจทย์เขาระกันมีถังสังคทานอยู่นะตมามีเยอะตมาไม่ใช้อะ่ะในถังนั้นก็มีของเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่มันไม่มีสบู่แล้วกันอ่ะสมมติตมาก็เลยบอกว่าเราไม่เอาสิ่งนี้แต่เราต้องการสบู่เนี้ยบุคคลผู้ฉลาดทั้งหลายก็จะรู้ทันทีว่าพระเขาไม่อยากได้ถังนี้แล้วนะแต่เขาอยากได้สบู่ ถ้าเรามีสบู่แล้วก็สบู่มาถวายท่านส่วนทางนี้ท่านไม่เอาแล้วก็เราก็เก็บไป อ, อือย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ซื้อขายนะโยมนะสังเกตนะพระไม่ได้ซื้อขายบางทีการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันคลา้คลายการแลกเปลี่ยนเหมือนกันโยมคล้ายๆชาโลกเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเลยโยมจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่เหมือนการแลกเปลี่ยนนะมันจะต่างกันนิดนึงนะซึ่งบางทีมูลค่าก็ต่างกันก็ได้เพราะอะไร เพราะนักบวชปกติเขาไม่ได้ใส่ใจว่าของมันมูลค่ามากมูลค่าน้อยเขาใส่ใจว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้นะเส้นสมมติโยมมาทองคํามาถวายแตมาสิบกิโลอ่ะแล้วแตะมาจะไปทําอะไรแล้วเนี่ยใช้ก็ใช้ไม่ได้นะเก็บก็เก็บไม่ได้โดนก็เป็นอาบัตใช่ไหมโยมไปแลกมาเม้า ห, อห่อนึงยังดีกว่ามั้งอย่างเนี้ยใช่ไหมยังกินได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นเออนักบวชเขาจะมองมาพูดแบบสไตล์นักบวชนะโยมเนาะ ถ้าพูดแบบสตายโยมก็จะบอกว่าพระนี่โง่แท้เนี่ยใช่ไหมเออตะมาเคยเป็นขรัวน์มาตะมาก็คิดว่าถ้าคิดแบบขรัวน์ก็เรียกว่าโง่แหะโยมแล้จะคิดแบบนักบวชไอ้ทองคํำน่ะก็เศษเหล็กอะทองคำก็เศษเหล็กจะบอกกลับกันก็คือชาวโลกโง่กันเองไปเห็นของเหล็กมาแขวนคอทําไมไมันหนักไปเก็บกันทําไมเนี่ยหนักก็หนักยกไปยกมาทะเลาะกันทำไมก็ทะเลาะลออ ก, กันมาด้วยเศษเหล็กอู้ไม่ฉลาดเลยนะ อย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ถังสังฆทานที่บวชน่นนะถ้ามันเป็นการผาติกรรมไปสังเกตเอาเองนะมันเป็นผาติกรรมหรือเปล่าถ้ามันเป็นก็ดีโยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปเพื่อยอย่างอื่นก็ไม่ดีโยนะแล้วก็มาดูว่าบุญบุญที่โยมบอกว่าอะไรไม่ได้บุญมากกว่ากันบุญเนื่องจากมันไม่ได้ดูที่ถังหรือว่าไม่ดูที่เราใครไปซื้อมา มันดูที่อะไรโยงดูที่ความตั้งใจของเราว่าเราเราอยากจะถวายอะไรเออปัญหก็ลองนึกดูว่าไอ้ถังสังฆทานที่เราเอามาถวายนั่นน่ะเรารู้มั้งไมว่าอะไรข้างในถังมันมีอะไรบ้างนะแล้วเราจะถวายอะไรถวายถังหรือถวายของในถังและถวังถังเนี่ยเอาให้พระทำไมให้พระเอาไปวนต่อใช่ไหมหรือต้องการเอาของในถังให้พระเอาไปใช้ เออมันก็จะดูแยกแยะตามอย่างนี้นะโยมนะเช่นเวลาถวายอาหารโยมก็สนใจว่าอาหารเนี่ยจะถวายไปแล้วพระจะได้กินไปแล้วก็ได้อายุท่านจะได้ยืนขึ้นจะมาเพราะมีวิตามินมีโอชาในอาหารนะสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีกำลังเมื่อกินไปแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นเนี้ยจากคิดอะไรไม่ออกหรือจะคิดอะไรออกมากขึ้นนะอย่างนี้เป็นตน้นก็ให้ปัญญา เพราะอาหารหนึ่งมื้อให้ทั้งอายุวันณนะสุขพระปฏิภาณนั่นเองนะอายุคือถ้าไม่กินข้าวแล้วต้องเสียชีวิตเนาะถูกไหมโยมนะเมื่อกินข้าวถ้าหิวแล้วก็ผิวผิวเป็นไงโยมซูบซีดเนาะถ้ากินแล้วก็เปล่งปรังนั่นเองวิตามินเยอะก็ยิ่งเปล่งปรังใช่มโยมนะแล้วขิวข้าวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุก ถ้ากินข้าวแล้วอิ่มแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขแปล ว, ว่าโยมให้อายุวรนนาสุขภาระและปฏิภาสนั่นเองเดี๋ยวตอบชาไปนะก็เพราะฉะนั้นก็ดูว่าหาถังไปวนกลับไปหามาเองเนี่ยเราตั้งใจในวัตถุต่างๆอย่างไรนั่นเองถ้าเราเข้าใจว่าในถังนั้นมีขันด้วยอู้ดีพระจะได้เอาเอาขันไปตักน้ำนะมีถังจะได้ลองน้ําข้างในมีข้าวสารอะรก็ว่ากันไปแล้วยอมก็ตั้งระลึกได้อย่างนั้นก็แปลว่าดีโยมนะ เพราะบุญมันม่ไอยู่ที่ถังไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่ที่เราเข้าใจว่าของนี้ดีปณะเนีดหรื อ, อยังของปณะเนีดไม่ประเนีดอยู่ที่ราคาหรืออยู่ที่อะไรอยู่ที่ความคิดของเราเพราะของปณีดของแต่ละคนมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนของอร่อยแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเพราะฉะนั้นเราอยากถวายของอร่อยก็หมายความว่าเราตั้งใจว่าของดีแล้ะเราจึงมาถวายอย่าไปถามพระเลยโยมว่าพระอร่อยไม่อร่อยนะพระก็ขืนแย่เลยโยมนะ แมมยังกินอร่อยอยู่ยังมันต้องมาบอกอีกเขินตายด้ยวถามมันะมาไม่ได้นั่นมาเขินอ่ะข้อถัดไปดีกว่ากสรุปก็คือได้บุญแล้วก็บุญนั้นอยู่ที่เจตนาเนาะไม่ได้อยู่ที่ว่าซื้อมาเองหรือว่าถังเวียนของที่นั่นนะอ่าคนเดียวกันข้อสองการถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟบางวัดมีของเก่ามากเกินความต้องการแล้วจึงนามาให้ญาติยมนามาใช้เวียนการถวายโดยร่วมกันทาบุญ จะได้บุญเท่ากับการซื้อมาถวายเองหรือไม่ก็ในยะเดียวกันเ น, ะนาะในยะเดียวกันแต่ตอนามาเป็นคารวาสนะแล้วก็พ่อตมาก็อยากถวายเงินพระเป็นค่าน้ํำข้าไฟตมาก็แนะนําพ่อตัวเองว่าอย่าทําอย่างนี้เลยโยมพระเขาลําบากนะโอ้ตอนนั้นตมาเป็นคารวาสเหมือนกันเนาะก็เลยบอกโยมปะ๋าว่าไปเราไปวัดกันแล้วไปขอบินค่าน้ํำข้าไฟเข้ามาแล้วเราก็ไปจ่ายเขาสบายดี พระก็ไม่ลําบากนะเพราะพระไม่ต้องรับเงินข้อที่หนึ่งสองไม่ต้องออกมาไปใจ่ายให้เขินๆใช่ไหมโยโมถ้าพระต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็เขินเราก็ไปขอบินท่านมาอยากจะถวายเท่าไหร่ก็ไปขอมาเนาะแล้วก็เอาบินไปจ่ายถ้ามันพุธเราตั้งใจว่าจะถวายสัก 5,000 ันะบินบินนั้นอาจจะแค่พันเดียวเดือนหน้าเราก็ไปขอมาอีกเดือนถัดไปก็ไปขอมาอีกอย่างนี้เป็นต้นเนาะสบายเลยเห็นไหมโยโม วิธีการอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราทําอะไรเป็นรูปแบบมากไปนะเช่นถังเวียนหรือว่าหลอดไฟนะอะไรที่เป็นต้นก็จะอย่างที่โยมรู้ๆกันนะน้อโยมเนาะตมาเคยอยู่ที่วัดออกชื่อก็ได้น้อโยมเนาะวัดจากแดงหลอดไฟเต้ไป็หมดพมัก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องเก็บเก็บเก็บจะไปปาฎิกรรมก็ไม่รู้จะผายัางไงเพราะผาแล้วมันส่วนใหญ่ผากลับมาม่เป็นเงินนะนะก็อยากผาไม่อยากได้เงินอยากได้ของอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนาะ อยากได้ของที่ใช้ได้จริงๆนะนะแล้วก็ถ้าได้เยอะไปก็ไม่ดีใช่ไมมันไม่มีที่จะเก็บนั่นเองเนาะเงินพอเข้าใจค ำ, คำตอบเ น, ะนาะระยะเดียวกันนั่นเองโยมเขาชี้ประเด็นว่าถวายสังฆทานส่วนใหญ่จะอยู่เวลากลางวันและในถังสังฆทานจะมีของบางอย่างที่ถวายหลังเที่ยงไม่ได้พระรับหลังเที่ยงไม่ได้อย่างนี้คือ จะได้บุญมากน้อยหรือยังไงอ๋อก็พอดีโยมคนนี้เขาเป็นโยมวัดอยู่แล้วเขาก็มีความรู้ก็เลยฉลาดนะโยมนะว่ารู้ว่าอะไรถวายก่อนเที่ยงและหลังเที่ยงส่วนของโยมเนี่ยถ้าฉลาดอย่างนี้ก็เป็นทานที่ประณีตกว่านะและให้ของเหมาะกับการนะมันก็ได้บุญที่ดีกว่า แต่ว่าถ้าถามว่าก็ไม่มีทั้งเวลาแล้วก็ไม่มีทั้งความรู้ก็ก็ได้ตามนั้นเลยโยมก็เป็นอย่างนั้นเลยโยมนะชีวิตโยมก็จเป็นอย่างนั้นแหละนะอ่าถ้าคือมีเวลามีอะไรก็ทำฝั่งโยมเนี่ยได้แต่บุญนาโยมนะแต่ฝั่งพระถ้าโยมจะช่วยเซฟพระด้วยก็ดีเหมือนกันโยมนะแต่จริงๆโยมก็จะคิดแต่บุญของโยมดีกว่าฝั่งโยม เนะเออฝั่งพระช่างเขาเอะเออเออโยมไปบอกเขาก็บอกได้ก็ดีโยมนะบางทีโยมบอกพระก็พระก็อาจจะฟังนะโยมนะเออคิดแต่บุญฝั่งโยมยังไงฝั่งโยมนี่ได้บุญไร้มนทินนะโยมนะเออก็คนเดิมนนโยมนะโตวหนังสือแน่นเอียดการใส่บาตรเข้าสารพระ ที่วัดในวันสำคัญเช่นวันพระการตักบาตรเข้าสารก่อนพระขึ้นสวดหรือหลังพระสวดดีคะเมื่อไหร่ก็ได้โยมนะถ้าถ้าถ้ายังไม่เลยเที่ยงน่ะถ้าเป็นกลุ่มอาหารการกินนะก็จะถวายหลังเที่ยงเวลาไหนก็ได้โยงนะเขาจะมีในสั ป, ปฤกิสถานเขาเรียกว่าการลทานถวายถูกเวลามเวลาเราก็ดูหน่อยถ้าเป็นข้าวสารใช่มโยม ถ้าเป็นข้าวสารเราจะถวายข้าวสารนะเออถ้าเขาที่นั่นเขามีโรงครัวนะแล้วก็ไปถวายกระลงเอาไปให้ไว้กระรงครัวดีกว่านะแล้วก็ถ้าถ้าท่านชาฉันเวลาไหนแล้วก็ถ้าจะดีอย่างถ้าจะเป็นอาตมาอาตมาก็อยากได้ข้าวสุกมากกว่าโยมไม่อยากได้ข้าวสารเพร่อป้าคูหาอาหารไม่ได้นะแต่ถ้าระบบวัดเขามีโรงครัวเราก็ไปฝากไว้กระรงครัวดีไหมแต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกห้ามถวายพระโยมพราะพระโดนข้าวเปลือกไม่ได้ เป็นอาบัตนะเป็นวัตถุอนามาตนะห้ามผ้ามห้ามรับประเคนเข้าเปลือกนะอย่างนี้เป็นต้นพอพระพิสุสงฆ์นะท่านจะมีวินัยเรื่องการห้ามทําอาหารนะแล้วก็ห้ามรับอาหารหลังเที่ยงนะแล้วก็ห้ามเก็บสะสมอาหารนะอย่างนี้เป็นต้นนะ้าโยมเนาะก็พระมีสีนต้อง227ข้อนะ้โยมเนาะปีกย่อเยอะมากเลยโยม นะปีกย่อยเยอะบางอย่างก็ไม่ขึ้นอยู่ใน2 2งรข้อเป็นตัวย่อยลงอย่างนั้นอีกมีเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นใจเห็นใจพระบ้างยนยโยมเนาะว่าบางองค์ท่านก็รู้บางองค์ท่านก็ไม่รู้นั่นเองนะแล้วก็เราก็เลือกเวลาให้ที่เหมาะสมถ้าเราเลือกเวลาให้ที่เหมาะสมเราก็จะได้ทานกุศลด้วยได้การลทานด้วยนั่นเองนะเมื่อให้การาทานดีอย่างไรเอาตรงนี้ดีกว่า เรื่องประเด็นวินัยพระไม่ค่อยอยากตอบเลยโยมนะทาให้การลทานจะมีผลอย่างไรผลของทานก็ทําให้เรามีทรัพย์ด้วยจิตจิตจิตคิดจะให้สละแบ่งปันเนาะ mm hmm. ก็จะเกิดทรัพย์ส่วนให้ตามการนั้นจะทําให้เมื่อเราปรารถนาแล้วจะสําเร็จผลเร็วคือตั้งใจพุกก็ได้ตั้งใจพุกก็ได้ตั้งใจพุกก็ได้จากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นสําเร็จตามปรารถนาที่โยมเวลาแปอุทิศส่วนบุญแล้วก็คิดสิ่งใดสงความปรารถนาเนี่ยมันเกิดจากการละทาน การละทานคือการลทานคือเวลาไหนนะถ้าขีนยะบุคคลต้องควรจะได้อะไรเราก็รีบจัดหาไปให้เขานะเช่นจอนเช้าพระควรจะได้อาหารฉันนะเราก็ให้พ่อแม่ละ่ะควรจะได้น้ำเต้าหู้ร้อนๆกาแฟร้อนๆอะไรก็ว่ากันไปเราก็คิดปุ๊บโอ้เราควรจะให้สิ่งนี้กับคนนี้เราก็ให้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการละทานเวลาไหนควรให้อะไรใครเขาให้แล้วเป็นให้สิ่งที่เขาใช้ได้ทันทีอะ ไม่ใช่ให้แล้วแบบใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นให้แล้วต้องไปรอส่วนประกอบมารวมๆกันแล้วค่อยใช้อย่างเนี้ยเมื่อเราสร้างเหตุเพื่อที่จะทําให้เขาสมหวังผลก็สมหวังเขาเรียกการลาทานนั่นเองเนา ะ, นะการลาทานถ้าใครอยากได้บุญแบบประดับตกแต่งตัวเองเยอะหน่อยก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะอลังการะนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทานกุศลเนาะในหนึ่งในศัพปุริสทานหเมื่อกี้พูดเรื่องไม่กระทบตนเขก็อื่นไปแล้วอันนี้ก็เป็น กาละทานพูดเร็วหน่อยนะนจะมาเริ่มพูดเร็วขึ้นนุยมเนาะพอดีต่อเนื่องมาเลยครับก็ ส, สดๆร้อนๆสงสัยเขาจะคนเดียวกันนี่แหละครับเขาก็เลยถามมาเลยว่าชุดสังฆท า, านควรมีอะไรบ้า ง, ย, งยังอยู่ที่คําว่าชุดอยู่นะครับนะ<อ>คือของที่จะอยู่ในชุดสังฆท า, านนะคือเขาถามอาจารย์มาเลยว่าเอาอะไรบอกมาเลยดีกว่ามันก็จริงๆคําว่าสังฆท า, านไม่ได้หมายถึงของโยมไม่ได้หมายถึงของเนาะ หมายถึงเจเจนาที่จะให้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดถวายหนึ่งชิ้นแต่รวมสมมติถวายสังฆทานนะพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ที่นี่โยมอาจจะเอาน้ํามาหนึ่งแก้วแต่หมายถึงถวายพระทั้งหมดหรูปพร ะ, ะ, ะเขาจะไปแบ่งแบ่งไม่ถึงหกนะกี่รูปเนี่ยก็จะไปแบ่งแบ่งกันนะสมมติโยมถวายของมาปุ๊บถ้าเป็นของสังฆสังฆแปลว่าของส่วนรวมของกลางเหมือนงบงบประจำประเทศนะโยม ใครจะคนใดคนหนึ่งอยากจะใช้ใช้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องผ่านกรรมวิธีเพื่อกระจายลงมาใช้นะเหมือนงบประมาณของประเทศของสังฆทานเขาเป็นเช่นเดียวกันโยมคือของที่ถวายแก่สงฆ์นะพระภิสุองใดองหนึง่งอยู่ดีจะหยิบใช้ไม่ได้นะจะต้องไปผ่านกรรมวิธีคือประชุมสงฆ์ก่อนข้อะระกทางตามก่อนแล้วก็แบ่งแจกอะไรหรือว่าตกลงกันก่อนว่าอะไรยังไงแล้วค่อยแบ่งกันนะจะอยู่ดีๆโยมถวายสังฆทานปุ๊บถวายตามาพุ๊บมันกาเจ็บฟุบเลยไม่ได้ นะสังฆทานไม่ใช่ของโยมถวายข้าวเป็นสังฆทานได้ไหมเขาสวยได้ไหมได้โยมถวายกับเป็นสังฆทานได้ไหมได้ถวายน้ำได้ไหมได้เพราะฉะนั้นสังฆทานไม่ใช่ของเป็นชุดๆไม่ใช่ของเป็นชุดๆแต่คนไทยนิยมที่เวลาคิดว่าถ้าถวายสังฆทานคือแล้วถวายแก่สงแล้วก็อยากจะมีปัจจัยสี่ให้ครบเนาะก็มีทั้งเครื่องนุ่งหม่มก็จะเห็นว่าในสังฆทานมีผ้าชิ้นเล็กๆชิ้นนึงนะ ที่อยู่อาศัยไม่มีนะโยมนะเอมีโรงเอาโรงไม่ไม่มีไม่มีมีที่อยู่อาศัยไม่มีเนาะแล้วก็มีอาหารมินชบาดก็จะมีของกินที่มิ่งคิดพูดพูดกันน่นนะแล้วก็มียาก็มีพาลาอะไรที่เป็นต้นนั่นเองเนาะส่วนดีไม่ดีอะไรยังไงโยมก็ไปเหละในถังเอาเองนะอรรมาก็เพียงบอกว่าจริงๆแล้วถังสังฆทานที่โยมถวายที่เขาจัดกันเป็นชุดเพราะเขาเห็นว่าโยมชอบรูปแบบ นะแล้วก็อยากในรูปแบบเนี่ยคนก็อยากได้ของปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์นะร้านค้าเขาก็เลยพยายามอยากจะตอบสนองความต้องการของเรานะแต่เราก็อยากได้ของครบด้วยถูกด้วยนั่นเองเขาก็เลยชิ้นเล็กหน่อยอะไรเล็กหน่อยทั้งหลายเนาะอย่างนี้เป็นต้นก็ขอเสริมหน่อยนะคือที่ถามมาเนี่ยเหมือนกับอาตมาเห็นภาพว่า จริงๆคุณสมบัติอย่างหนึ่งของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคือควรจะแวะเวียนไปสม่ำเสมอและเวลาแวะเวียนไปแล้วก็เวลาถวายของแล้วก็ควรจะมีการสนทนาธรรมบ้างถามท่านบ้างเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆเราอ่ะจะแยกกันกับพระอยู่แต่จริงๆพุทธเจ้าบอกว่าศา ส, สนาเป็นของพุทธบริษัททั้ง4ี่เวลาโยมถามพระเนี่ย พระจะได้เกิดสังวรขึ้นมืโยมว่าจะต้องมีความรู้ที่จะตอบโยมนะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาตมาฟังแล้วก็รู้สึกน้อยใจนิดหน่อยเหมือนกับว่าแบบเราเอาเราเลี้ยงเขาแต่ตัวนะ่ะแต่เราไม่คุยกับเขาเลยอะ่ะไม่เลี้ยงหัวใจลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลามาเจอพระรู้สึกอย่างนั้นนะโยมเราก็ลองเปลี่ยนมุมดูนะให้ของแล้วก็คุยด้วยให้ปิยะวาจาด้วยนะมันจะได้เกื้อกูลกันในระบบของพุทธบริษัท4ี่เองโยมนะ วิธีนี้ก็ดีนะโยมนะทีที่วีนี้เอ็นตมาก็ชอบโยมนะให้โยมไปหาท่านนะแล้วก็บารณาท่านไว้ว่าหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงลงุลงหลวงนาะอะไรก็ว่าเถอะนะโยมบารวนานะเจ้าค้าอยากได้อะไรที่สมควรแก่สมณนะสารูปหรือสมณนะการประพฤติปฏิบนะัติของท่านท่านจงเรียกร้องจากโยมนะถ้าโยมเห็นว่าเหมาะสมโยมก็จะถวายแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าพระขอเยอะๆเราไม่ไหวแล้วก็ระบุมูลค่าไว้บ้าง อย่าเกิน300นะเจ้าค้าอย่างเงี้ยอย่าเกิน500รนะเจ้าค้าแล้วอยากได้อะไรบอกเลยสบู่แฟบยาสีฟันนะวันไหนบินถบาทแล้วขาดแค่อาหารนะอยากได้เข้ากงเข้ากล่องโยมถวายได้นะไม่เกิน5้0สามไม่เกิน500ก็ว่าท่านไปนะไม่ต้องมาถวายแบบวันนั้นก็ท่านยังไม่อยากได้เนาะก็วันไหนท่านอยากได้ท่านจะบอกเราเองดีไหมโยมทําให้พา Allah ไม่ต้องเก็บของเยอะด้วยนะท่านอยากได้เหมาะสมอะไรเราก็เราค่อยหาไปวันไหนท่านสบู่หมดเราก็ถวายสบู่ แฟบหมดแล้วก็ถวายแฟบดีไหมนะผ้าเก่ามันเก่ามากแล้วขาดแล้วจามาอยากได้สบงสักผือนอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเอามาทั้งไตนะเนาะมาผืนเดียวอย่างเงี้เป็นตน้นเราก็ไม่ต้องเป็นถังถังมาดีไหมอย่างเงี้เป็นตน้นก็ดีเหมือนกันนโยมนะและ้วอ น, นิสงส์ก็มีโยมนะอา น, นิสงส์คือถ้าไปปภาวณาพระพิสูจน์ส่สงแล้วมีพระสูจน์พิสูจน์หนึ่งพรอารนนท์ถามว่าทําไมาคนบางคนในโลกนี้พูดเร็วหน่อยนโยมนะเวลามีน้อยทําไมาคนบางคนในโลกนี้ทําไมาแวราราธมาค้าขายแล้วคาดหวังกําไรเท่าไหร่ บางคนก็ได้มากกว่านั้นบางคนก็ได้เท่านั้นบางคนก็ได้น้อยกว่านั้นบางคนไม่ได้เลยเพราะอะไรได้มากได้เท่านั้นได้น้อยแล้วไม่ได้เลยแบ่งเหมือนสี่เนาะเพราะว่าเวลาไปวรนาพระภิสูจน์ส่แล้วเวลาท่านมาขอหนึ่งให้ให้มากกว่านั้นเวลาได้ปารธนากําไรจะกําไรเท่าไหร่ก right ็ได้เกินกว่านั้นบางคนบางคนเมื่อไปปภาวนาแล้วให้เท่าที่ภาวณาก็ได้เท่านั้นคนบางคนไปวาธนากับพระพิโสง่์แล้วว่าถ้าท่านมาขอข้าวนะผมจะถวายข้าวหนึ่งทับ หนึ่ พ, พีแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วให้ครึ่งทั พ, พีอย่างเงี้ยเนาะก็ผลของการค้าก็เลยได้ไม่สมหวังคนบางคนบาวนาแล้วนะว่าครูบาอาจารย์พระภิสุสงฆ์สามนเณรน้อยมานะบินทบาทไม่ได้มาบอกโยมนะบอกแล้วเดี๋ยวโยมจัดส่งเข้ากล่องไปเลยเอาส่งไปเลยนะสองกล่องดีไหมเงี้ยเป็นดนสมมุนก็พูดตอนพูดก็พูดด้วยใจใหญ่พอเนนบอกว่าโยมป้าวันนี้บินทบาทเนนไม่ได้กินเลย นเนี่ยไม่ได้บินฑบาะเนี่ยจะไม่ขี้เกียร์จะไม่ไม่ต้องเ อ, า อ, อ้าล็อกนี้เป็นตน้นก็เลยไม่ให้ไม่ให้เวลาทํามาค้าขายก็เลยคาดหวังแล้วก็ผิดหวังอย่างเงี้ยก็ไปทําอย่างนี้นะโยมนะเออพูดพยายามจะพูดให้โยมเข้าใจภาคนั่นเองงั้นก็โยมก็เป็นป่าเปลียนเป็นบรวรนาก็ดีเนาะไม่งั้นระบบาศาสนากลายเป็นอิงธุรกิจเกินไปมันก็แล้วยอมก็จะบ่นว่าทําไมพระทําตัวกันอย่างนี้อีกเนาะนะดีไหมเนาะโยมเนาะอ้าวไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปบ่นพระอีกก็ไม่ดีอีก ก็เวลาทําบุญใส่บาตรพระที่ยืนอยู่รับบินทบาทอยู่ที่หน้าตลาดไม่ได้เดินบินทบาทจะได้บุญไหมครับการบินทบาตเนี่ยเป็นสมัยโบราณอธิบายเรื่องนี้นิดหนึ่งนะโยมนะสมัยโบราณพระพิสูจสงฆ์เวลาไปบินทบาตโยมจะวเวลาเจอนะเขาจะมานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิสูจน์สงฆ์ไปพุทธเจ้าเขาจะเดินถือบาตรไปโยมนะไปบินทบาทนะโยมก็จะมานําทางไปพอไปถึงแล้วทํำไงเอ่ยบินทบาทนะเนี่ยฟังให้ดีนะ โยมก็จะขอบาทจากมือพระสมานุุเจ้าในบางสูตรเนี่ยขอบาทไปตั้งแต่อยู่ที่วัดเลยโยมโยมก็จะถือบาทแล้วก็เดินวิเดินกลับบ้านไปแล้วก็ไปตั้งในบ้านพระสมานุุเจ้าเป็นต้นมีกล่าวถึงเรื่องหนึ่งนะโยมนะวันนั้นมีผู้เจ้าก็จะรับบาทโยมก็มีคนไปกันมีทั้งแต่กษัตริย์มีทั้งคนรวยไปหมดเลยแล้วก็มีคนจนคนหนึ่งนะจนมากเขาเรียกว่าจนที่สุดในเมืองแล้วก็ไป พระเจ้าไม่ให้บาดใครโยมพระเจ้าจะไปบินนบาตโยมคนนี้แหละก็วิ่งไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็รับบาดไปส่งบาดโยมคนนี้ก็ได้รับไปพระราชาเขาขอซื้อบาตใบนั้นจากจากนายขินใจนะั้นคนจนนั้นะคนจนก็ไม่ยอมขายบาตนั้นให้ไม่ได้ขายบาตจริงๆนะขายสิทธิ์การได้ใส่บาตพระเจ้าโยมคนนั้นก็ไม่สนก็เดินไปเดินเอาบาตตัวเองไปไปที่บ้านตัวเองพระเจ้าก็เดินตามไปนะพระเจ้าทําไงโยมบ้านเขาเล็กจัดนะ พระเจ้าก็เลยจะเข้าไปประตูก็เลยยืดขึ้นนะพระเจ้าก็เข้าไปเพราะพระเจ้าเวลาให้ทานนะไม่เคยเป็นผู้ก้มหน้าให้เป็นผู้เงยหน้าให้แต่ว่าเป็นผู้ให้ทานโดยเคารพเดี๋โยมถานเดี๋ยวยยจะมาคําถามเยอะเลยตอบแทนเสร็จก่อนเลยนั่นเองนะปุ๊บเป็นไงเอ่ยพระเจ้าก็เข้าไปแล้วก็โยมก็ถวายอาหารเล่ายอ่อนะีโยมเนาะแล้วพระเจ้าฉันเสร็จก็ฉันในบ้านเลยโยมโยมก็ใส่บาตรใส่สเสร็จพระเจ้าก็ฉันฉันเสร็จก็กลับเนี่ย เป็นวัฒนธรรมการมินยบาศสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลหนักกว่ายืนไหมโยมเข้าบ้านไปเลยอยู่เข้าไปนั่งในบ้านเลยในพระม้าระบบอย่างนี้ยังมีอยู่เข้าไปนั่งปุ๊บนะภรรยาก็จะสามีก็จะรับบาตรของพระไปนะเอาไปให้ภรรยาภรรยาก็ไปทากับข้าวมาส่วนสามีและลูกๆ ก, ก็จะมานั่งฟังธรรมนะลูกหลานก็จะมานั่งฟังธรรมส่วนแม่บ้านก็จะปไปทำกับข้าวแล้วก็มาถวายาพระภิกษุก็จะฉันแล้วก็กลับ ใม่โยมจะ่า ว, ว่าจะยืนเลยเข้าไปนั่งเลยก็ได้แต่ที่ที่ที่บอกที่โยมถามเนื่องจากอะไรโยมยุคนี้พอยมเห็นว่าพระไปยืนมินทบาทแล้วเป็นเหตุให้รับเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นการทำธุรกิจใช่ไมล่ะโยมนั่นเองหรือไปนั่งอยู่ตรงไหนตรงนึงแหมไปวนอยู่ที่ร้านมินทบาทร้านใดร้านหนึ่งแล้วก็เหมือนฮัวกันในการเหมือนจะเป็นช่องทางของการสแสวงหาทรัพย์นั่นเอง นะที่โยมเลยเ ป, เป็นเหตุให้เกิดคําถามนี้ใช่ไหมโยมนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วจะเดินก็ได้จะอยู่เฉยๆฉันนั่งหรือจะเดินจะยืนหรือไปหยุดอยู่ในบ้านนั้นเลยก็ได้นะแต่ปัญหาทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องนี้แต่มันเป็นเรื่องของของการที่มันเกิดอาการวนของวัตถุทานใช่ไหมโยมหรือว่าเป็นการที่คารวะทั้งหลายไปใส่เงินแล้วก็เงินอยู่ในบาต ท, ท่านก็ มันไม่ได้แก้ที่พระโดยส่วนเดียวนยโยมมันต้องแก้กันด้วยพวกโยมทั้งหลายด้วยถ้ารู้ว่าวินัยพระภิสูจน์ว่าพระพิสูจน์พพ ร, รับเงินรับทองไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะอะไรทั้งหลายที่เป็นแบบนี้ก็อยา่าที่มันจะทําให้ท่านผิดโยมก็ช่วยหน่อยนะช่วยกันอย่าใส่เงิ น, นให้พระอย่างนี้เป็นต้นนะพระทั้งหลายที่เขาอยากจะดีท่านก็มีอยู่นะเยอะเลยแต่เนื่องจากท่านเขาก็เก่งใจโยมจะมาเคยโดนนะยโยมนะโยมใส่บาทเป็นเงิ น, ม, นมาเขาปฏิเสธโยมก็บอกว่า ท่านไม่รู้หรอกท่านไม่เข้าใจหรอกยุทธท่านรับไปเถิดท่านเอาไปเถิดแต่มาว่ารับไม่ได้โยมโอ๊ยใครไปสอนท่านอย่างนั้นท่านทาอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้เป็นต้นโยมก็เริ่มเทศให้่จะมาสอนมาว่าวินัยพระไม่ใช่เป็นแบบที่ท่านรู้ท่านเข้าใจหรอกนะเอออย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมยโยมแล้วก็เริ่มจะดุพระก็มีบางคนก็เอ็ดพระก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะเออพระหลายรูปที่จะมาเจอมาท่านก็เป็นคนอ่อนโยนนะโยมนะท่านก็เกรงใจโยม ท่านก็เลยต้องรับมาก็มีเห็นไหมพระอาตมาจึงบอกว่าขอช่วยฝั่งของพวกอาตมาบ้างนะว่าโยมก็อย่าอย่าใส่เงินท่านซีดีไหมแล้วพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ลงโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะดีไหมอย่าทําให้ศาสนานี้เป็นเหมือนกับที่ที่อะไรอย่างนี้นะโยมนะโดยวิธีการคืออย่าผักภาร ะ, ะมาทางนักบวชโดยส่วนเดียวโยมก็เป็นอุบาสกอุบาสิกา เราก็ช่วยๆกันดูแลาศาสนากันเนาะจ้ะก็อันนี้ขอเสริมหน่อยนะครับเพราะว่าที่เป็นประสบการณ์ตรงเออก็คือในใ น, ในคำถามนี่เขามองว่าพระที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นพระที่ลักษณะไม่ค่อยดีเขากลัวว่าเขาใส่แล้วจะได้บุญน้อยหรือว่าไม่ได้บุญคือจริงๆบางตลาดนะโยมเคยไปมาแล้วมันเดินเข้าไปไม่ได้โยมซ่องมันแคบกว่านี้อีก โยมผู้หญิงก็เดินมาถือตะกร้าหนึงแล้วก็ร้านค้าเขาก็ตั้งผักเลยออกมาโยมเดินก็ไปชนถูกผักเขาหล่นลงมาในโยมนะบางคนพระเขาเป็นโรคไขข้อโยมไม่รู้หรอกเขาต้องยืนอยู่ตรงนั้นแหละเดินเขาเจ็บขาเขานะแล้วบางทีเขามาคนเดียวเขาไม่มีลูกศิษย์วัดบุญเขาอาจจะน้อยไม่มีบริวารหรืออายุเขาอา จ, จะมากแล้วเขาก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นโยมเพราะว่าของมันหนักเพราะว่ามันมีกระแสกดดันจากโยมด้วยว่าถ้าพระ เขาจะถ้าโยมจะใส่บาตรแล้วพระปฏิเสธนะวันหลังโยมจะไม่ใส่ฉะนั้นเขาต้องยืนรับอยู่ยงั้นเหรโยมเขาขยับไปไหนไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือบางตลาดมันจะมีจุดที่นัดกันเอาไว้ว่าโยมจะมาใส่บาตรต้องมาใส่ตรงนี้ถ้าพระเดินเข้าไปเนี่ยโยมก็ต้องหลบไงมันเกะกะบางทีนะโยมนะบางทีอะไรที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะโยมนะ ระหว่างสวดมนต์กับนั่งวิปัสสนาอย่างไหนดีกว่าและดีกว่าอย่างไรครับก็ทั้งสองก็รู้แต่เป็นภาวนากุศลทั้งนั้นนโยมนะไม่ว่าจะสวดมนต์หรือนะไม่ว่าจะเป็นเจริญวิปัสสนานะดีทั้งหมดโยมนะมันดูที่ว่าจังหวะไหนเราควรทําอะไรนะถ้าเวลาศรัทธาเราคอนแค้นหมดแล้วโยมการสวดมนต์ช่วยได้เยอะมากเลยโยมนะแต่ถ้าบางจังหวะที่สมาธิ สติสมาธิสามัญ ญ, ญาเราดีเนี่ยวิปสัสสนาก็เป็นเรื่องที่ต้องขวนขวายเนาะนี้เป็นตน้นแต่บางทีคําพูดนะ่ะคาพูดว่าวิปสัสสนามันเป็นวิปสัสสนาญาณจริงไหมเนี่ยเออบางทีมันเป็นแค่คําพูดหรือว่าเร า, เราสวดมนเนี่ยคําว่าสวดมนเนี่ยแล้วเราจิตจิตใจเราอยู่กับบทสวดมนไหมหรือว่าเราปล่อยใจลอยไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเพราะการสวดม น, นี่เขาจริงจริงเขาเสริมศรัทธาเราเนาะนะนะแล้วก็เสริมปัญญาไม่เสริมเช่นบทสวดมนเช่นที่ สวยกันไปเนี่ยมาวงเวสร้งยันจีสับปะนานี้ปัปพานิวนานีจ่าอย่างนี้เป็นต้นเขาก็สอนเรานะหน้าบทสวดมนต์เขาสอนปัญญาเราหมดเลยเนาะว่าอย่าไปถือโชคเครื่องรางของขลังอย่าไปเห็นสนะผิดผิดให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนาแล้วก็ยังอธิบายอีกว่าการถึงสนะทำยัางไงโยมการถึงสนะแล้วก็เข้าถึงอริยสัจสีนะรู้จักทุกสมุทัยนิโรธมรรอย่างนี้แหละจึงถือว่าเข้าถึงสรณะจริงอย่างเนี้ย เอตังโคสังทเคมังเอตังสันทมุตตะมังอย่างเงี้ยนี่เป็นสัรตะอันเกษมนี้เป็นสรนตะอันเผอเสิร์ตเห็นไหมเขาจึงบอกว่าทําอย่างนี้ถึงเป็นสันตะจริงๆนะก็คือถึงพระพุทธพระธรรมแบบรู้ถึงหลักการที่แท้จริงรู้ถึงอะไรเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไอ้คำเงี้ยเป็นคําย่อแต่ขยายก็คือคําสอนพระเจ้านั่นเองแยกได้เลยได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเพราะงั้นเวลาการสวดมนต์จริงๆก็คือการเจริญกุศลที่ทําให้เกิดญาณะคือปัญญาเป็นภาวนากุศลชนิดนึง แต่คำหรือวิปัสนาญาณก็เจริญกุศลเพื่อเกิดปัญญาเหมือนกันแต่คําพูดอะใช่แล้วเวลาเราทํามันเป็นไหมอย่างเงี้ยถูกไหมโยมเนะาะเพราะฉะนั้นั้นทําบุญนี้ถึงบุญนะนะจะติดแค่รูปแบบดีไหมนะอาจาะพระจับปัจจัยไม่ได้ถ้าคนใส่บาตรด้วยปัจจัยบาปไหมอา้าวพระปัจจารับปัจจัยสี่ได้ยโยมนะเช่นเสนาสนะ พระรับได้โยมนะอาหารมิจฉาบาทพระรับได้เนาะส่วนเครื่องนุ่งห่มก็รับได้โยมพราใส่อยู่นะแล้วก็ยาก็กินได้แปลว่ารับได้หมดเลยโยมแต่ถ้าปัจจัยของโยมหมายถึงทรัพย์คือเงินนะรับไม่ได้เพราะในพระบาลีเขาบอกว่าให้ปฏิเสธโยมในมีพระบาลีก็คือในวินัยพระนะเขาบอกว่าเมื่อถ้าโยมจะถ่ายจีวรโดยสั่งทูตไปว่าเอ้ยนี่เป็นค่าจ่ายจีวร น, นะเธอจงหาพระภิกษุนะ ให้พระพิสุแล้วทูดก็ไปหาพระพิสุแล้วคือตัวแทนวังคันเถอะพระก็พระพิสุก็ให้ปฏิเสธว่าพระไม่รับทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรแต่จะรับจีวรตามการนำสมควรเท่านั้นเมื่อพูดอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงโ ย, ยมนะปุจจาก็เลยบอกว่าถ้าพระพิสุนั้นเป็นผู้ปรารถนาจีวรให้ทําอย่างไรให้ชี้วิญาณวจกรนะ ให้ชี้วายาวจกรเช่นสมมติอยู่อย่างนี้ปุ๊บอาณาธมาอาจจชีโยมอาจารย์ชวีชัยเอานี่เป็นวายาวจกรอาณมานะปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็สั่งให้คนที่จะเอาเงินมาให้เนี่ยไปคุยกับวายาวจกรเราเองนะคุยกันเสร็จแล้วให้กลับมาบอกคุยกันอย่างไรวายาวจกรก็จะเดินคนที่จะถวายก็จะเดินไปหาวายาวจักรนะแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้มาคุยกับอาจารย์นะเนี่ยถ้าท่านอยากได้จีวรเมื่อไหร่ท่านจะมาคุยกับอาจารย์โยมอาจารย์ชวีชัยนะส่วนเงินก้อนนี้ ดิฉันผมฝากโยมโย ม, โยมอาจารย์ไว้นะให้โยมอาจารย์ถือไว้ถือเงินของผมไว้หน่อยผมไม่ว่างจะอยู่ใกล้พระแต่โยมอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้พระใช่ไหมเอาฝากไว้เลยนะแล้วท่านอยากได้จีบอลเมื่อไหร่ท่านจะมาล่องขอแปลว่าเงินเป็นของใครของใครของใครเอ่ยของพระหรือของโยมฮะของโยมเหมือนเดิมเนาะถ้าโยมชวีโยมอาจารย์ชวีชัยไม่ซื้อจีบอลให้พระ เงินนั้นก็ยังเป็นของพวกโยมนะถูกไหมถ้าเกิดวันดีคืนดีเขายังไม่ซื้อโยมกลับมาถามเป็นไงซื้อหรือยังยังเลยพระยังไม่ของั้นไม่ต้องและผมเอาคืนได้ไหมดิฉันเอาคืนได้ไหมนะให้มันเงินโยมโยมต้องไปคุยกันเ อ, เองเพราะตอนฝากโยมไม่ฝากเขาไม่เป็นพระไม่เกี่ยวนี่ถูกไหมไม่มีพระไม่มีสิทธิ์นะโยมเมื่อกี้เขาฝากไว้เท่าไหร่กี่พันมาแบมามา่มานี่ไม่นี่คนละครึ่งคนละครึ่งเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะโยมนะเพราะพระรับเงินไม่ได้ นะรับได้แต่ปัจจัยสี่อย่างที่โยมพูดนะรับได้เฉพาะปัจจัยสี่เงินก็ยังเป็นของโยมตับตับเท่าที่เขายังไม่เปลี่ยนเป็นปัจจัยมาแต่มาก็จะไปสมมติอยากได้แตมาเขาไปถามโยมโยมว่าโยมทวีชยัยเนี่ยแต่มาต้องการจีวรแล้วเออโยมก็จะไปหาจีวรมาสมมติโยมเขาเขาไม่หามาให้ทํำยังไงในวินยัยพุทธเจ้าสอนว่าให้กลับไปบอกเจ้าของทรัพย์ว่าเออท่านฝากให้โยมคนใด ถวายจีวรแก่เราจีวร น, นั้นไม่สำเร็จแกเราเลยทรัพย์ของท่านอย่าได้ชิบหายเลยท่านจงจัด ก, การกันเอาเองเถิดนะแปลเป็นใครอย่างนี้นะไม่ใช่พระไปทวงนะว่าเอ้ยเขาฝากเงินไว้กับเธอนี่เธอต้องถ้าเธอไม่ซื้อเอาเงินมาอย่างนี้ทำไม่ได้นะโยนนะอย่างนี้เป็นต้นก็นะ่าจะเข้าใจเรื่องปัจจัยนะปัจจัยไม่ใช่เงินนะปัจจัยไม่ใช่เงินเงินไม่ใช่ปัจจัยนั่นเองเพราะพระรับ ทรัพย์สินคือเงินและทองรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดียินดีในสิ่งที่เขาเก็บไว้เงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ดีไม่ได้แต่ถ้าเป็นเป็นสิ่งที่โยมบอกว่าโยมถวายปัจจัยสี่นะไม่ใช่เงินนะเนี่ยต้องฟังให้ดีแยกกันให้ออกนะแยกรายละเอียดให้ออกนะไม่ใช่เงินแต่เป็นปัจจัย4ี่พระก็จะรอเอาเฉพาะปัจจัย4อย่างเดียวเห็นไหมโยมพระจะไปใส่ใจกับเงินอ้กี่อูถวายมาเริ่มสามพันแล้วสี่พันแล้วอย่างเงี้ย ไม่ได้โยมไม่เกี่ยวกับพระเลยนะโยมวันดีคืนดีโยมบอกว่าจะเอาคืนพระก็ทําอะไรไม่ได้เข้าใจแล้วเนอะโยมเนาะจ้าเหมือนเงินฝากธนาคารนั่นเองอยังไม่ได้ประเด็นนะครับคือปัจจัยคํานีข้ของเขาก็คือเงินนะครับถ้าหลบใส่เงินนี่บาปไหมครับใส่ลงไปในบาทนี่นะครับก็เงินไม่เหมาะควรแก่สมณะนะโยมเนอะไม่มวลแก่สมณะเชื่อสายสกยบุตร ถ้าโยมถามท่านก่อนก็ได้ว่าท่านเป็นเชื้อสายศักยะบุตรไหมสมณะสักยะไหมถ้าท่านบอกว่าเป็นท่านก็อยากโยมก็อยากให้แต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นโยมก็ให้ได้นะเออดีดีกว่าไหมอย่างนี้สิ้นเรื่องสิ้นราวนะก็สรุปพระรับเงินไม่ได้นั่นเองเนา ะ, อะเอาแล้วเขาจะบาปไหมครับเนี่ยเขาจะใส่ถ้าโยมไม่รู้โยมไม่รู้ว่าท่านรับไม่ได้โยมให้ไปไม่ไม่บาปหรอกโยมเพราะโยมปรารถนาดีจะให้ นะึกว่าโหเดี๋ยวท่านต้องไปจ่ายค่าน้าค่าไฟอยากขึ้นรถแท็กซี่อยากจะอะไรนะแต่ถ้าโยมให้เงินท่านไปแล้วเกิดท่านไปซื้อหนังมาดูโยมก็อย่าบน่นละกันดีไหมโยมนะเนรไปซื้อเกมมาเล่นมีเงี้ยก็อย่าไปบ่นท่านละกันนะก็โยมเล่นเล่นเปิดอะเอาเงินไปท่านแล้วคนมีเงินทําอะไรเลยโยมก็ต้องใช้เงินจริงไหมใช้เงินจะใช้ทําอะไรโยมใช้ยังไงพักก็ใช้ยังไงเนรก็ใช้กันอย่างนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นหลังจากโยมรู้แล้ว ควรไม่ควรคิดกันเนอาเองอยู่แต่มาไม่ฟันธงให้อ่ะต่อคําถามเยอะมากเลยโยมเดี๋ยวจะได้ไปเร็วๆก็กรณียังคล้ายๆเดิมจะอ่านคําถามให้ฟังคารวาสใส่ซองใส่บาทพระเช่นตอนทําบุญสังกะทานพอถวายสังกะทานแล้วอีกก็ยังใส่อีกซองหนึ่งแล้วตอนบวชนาคพอเสร็จพิธีบวชแล้วพระคนนั้นกลายเป็นพระใหม่แล้วให้อถาถะเสร็จก็ใส่ซองอีกมีความเชื่อว่าจะได้บุญเนี่ยสรุปได้บุญไหมครับ ก็ตอบคล้ายๆเมื่อกี้นโยมเนาะเราก็ทําพระพระบวชใหม่อาบัตตั้งแต่อยู่ในโบสถ์เลยโยมบวชปุ๊บอาบัตปั๊บนะตอนมันจะมาบวชบวชครั้งแรกบวชปุ๊บก็อาบัตปั๊บเหมือนกันเลยพอ ม, มาลุ้งเซ็งเลยบวชครั้งที่2องเลยไม่ยอมเลยโยมห้ามใส่เงินชั้นโดยเด็ดขาดว่าเงินเถิดทั้งบวชเขารับกันหมดมีแตมาไม่รับอยู่คนเดียวเป็นพระเพิ่งบวชใหม่วิธีการแก้ดีเอาบอกวิธีแก้ด้วยโยมอยากทําเงินเป็นบุญอยากทําบุญเป็นเงินไหม ใครยังรู้สึกว่าต้องทําเงินเป็นบุญถึงจะดีเพราะคนจีนจะเชื่อกันอย่างง่ายง่พวกเชื้อจีนอยากได้อะไรก็ต้องให้อย่างนั้นก็ฉันอยากได้เงินนอะฉันไม่ได้อยากได้ข้าปลาอาหารฉันอยากได้เงินก็ต้องทําบุญเป็นเงินสิงั้นทําบุญเป็นเงินใครยังคิดอย่างนี้อยู่บ้างธรรมาจะชี้วิธีทําบุญเป็นเงินให้นะยุเพุทธเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะโยมทํากับยุเพุทธก็ได้เนาะนะค่าน้ําค่าไฟเยอะไหมโยมเยอะนั่นเองนะงั้นทําบุญกับยุเพุทธโยมนะทําบุญกับคนปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละนะ เวลาพวกโยมมาทํามาปฏิบัติธรรมนะหรือใครก็ตามชุดถั ด, ถดไปจะมาปฏิบัติธรรมก็จะไม่ประสบความลําบากนะเพราะฉะนั้นที่ที่เขาต้องการทําบุญเป็นเงินมีอยู่โยมก็ทําบุญเป็นเงินส่วนนักบวชทําบุญเป็นเงินไม่ได้ก็อย่าทําบุญเป็นเงินส่วนถ้าอยากจะทําบุญแล้วมันเป็นเสนาสนะโยมก็รวมกันนะแล้วก็ไปสร้างเลยอย่าเอาเป็นเงินให้ท่านให้ท่านปวดหัวพระไม่ใช่วิศวกรจะไม่ต้องคิดแบบนะพระไม่ใช่สถาปนิกไม่ใช่จบแลนดสเคปแล้วต้องหรือถ้าเคยจบกันมา ก็ไม่อยากทาแล้วเบื่อแล้วโยมนะก็จะได้โยมก็จัดการเหมือนอนาถาินิกาเสียทีไงเหมือนนางวิสาขาไงก็ทํากันเองเลยดีไหมและพระก็นิมนต์พระไปอยู่เอาน่าจะตอบพอเข้าใจระดับหนึ่งเนะโยมเนอะก็เสริมนิดนึงโยมทําบุญกับยุ่พุทธเนี่ยโยมจะน้องให้สองก็ได้เพราะมันต้องมีพระสง์มาบรรยายอยู่แล้วโยมนยมะใช่ ผู้ที่จะมาเป็นพุทธเจ้าต้องได้รับคําพยากรจากพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นพุทเจ้าองค์ต่อไปก็ต้องได้รับคำพยากรณ์แล้วหรอคะ<ช>แล้วเราจะรู้<ช>ได้อย่างไร<ช>ว่ายุคภรสีอานคนที่บรรุตตามได้ต้องอยู่ทันช่วงที่ภรสีอานยังอยู่ก็จริงโยมนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องถูกพุทธพยากรก่อนนะเมื่อถูกพุทธพยากรปุ๊บก็จะประเพณบา ร, รมีอีกสี่สองไขแสนกลับเป็นต้นนะมีสี่สองไข แปดกระสงไข่แล้วก็สิบระทงไข่ตามตามปัญญาธิกะสัตธาธิกะและวิริยธิกะนั่นเองเนาะแยกๆ ก, กันอย่างนี้นะแล้วท่านก็จะบัมารู้เป็นพระสมานุุนเจ้าส่วนเราจะทันไม่ทันดูที่ชาตินี้อย่าไปดูชาติหน้าอย่าอย่ารอรออนาคตนะอย่ารออนาคตดูชาติเนี้นะว่าชาตินี้เราทําอะไรถ้าเราควรวายจ้งออกจากวัฏทุกออกจากวัตทุกข์ในชาตินี้ นะก็เชื่อว่าอัจยาศัยในชาตินี้ก็จะสั่งสมไปเหมือนวันนี้โยมมาเพียรเจริญกุศลกันวันนี้วันหน้าอัจยาศัยนี้ก็จะสั่งสมยังพรุ่งนี้มันจะมีหรือวันถัดไปอีก 3, ามวันหวันเวันโยมจะได้อัจยาศัยในการเจริญกรรมาฐานอานาคาจะติไหมมีแน่นอนเห็นไหมโยมงั้นทําวันนี้เลยโยมนะถ้าโยมโคนขวาจะบรรลุชาตินี้ชาตินี้ไม่บรรลุเป็นไงก็ชาตินะชาติหน้าไม่บรรลุก็เป็นชาติถัดไป แปลว่าโอกาสที่จะเจอภาษีอาริยะมยเมตัยก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าบอกโอ๊ยรอชาติหน้าดีกว่าบุญเขาบอกพระเจ้าองค์หน้ายังมีอยู่ไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นแต่มาจะยกเรื่องตัวอย่างเรื่องหนึ่งมาให้ฟังแล้วกันนะโยมนะพูดเร็วหน่อยนะโยมนะฟังทันเนะาะเมื่อวานพูดเช้าวันนี้พูดเร็วเนาะนะสมัยตอนสุเมธาฤศีศีสงไข่แสนกลับที่แล้วโยมนะสุเมธาฤศีเขาก็ได้พุทธยากรจากที่ปังกรสมาสุเจ้า เทวดาชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นต้นรวมทั้งเทวดาทั้งชั้นเลยโยมก็เลยบอกว่าถ้าเราข้ามในพระพุทธสมาสามูเจ้าที่บางกรณ์สามูเจ้าไม่ได้เราจะข้ามในพระพุทธเจ้าองค์หน้าที่ชื่อว่าโคตมะองค์หน้าที่ก็คือพระคือฤๅษีชื่อว่าสุเมทะฤๅษีนั่นเองเนาะก็ตั้งใจอย่างนี้โยมรู้ไหมว่าเขารอไปอีกนานแค่ไหนรอไปเสียสงไข่แสนกับจึงบรรลุในพุทธกาลนี้ รอไปอีกสี่ส่งไขแสนกลับเพราะเป็นชอบลองไงอยากแบบไม่เป็นไรหรอกองค์นี้ไม่บรรลุเราก็จะบรรลุองค์นะท่าหน้าคือโคตมัสสมาสุจ้าพวกนั้นเหล่านั้นก็เลยได้เป็นญาติพี่เจ้าหมดเลยโยมเทวดาทั้งกลุ่มนั้นนะ่ะมาหาศาลเต็ไมไปหมดเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านคนว่างันเถอะก็มาเกิดเป็นศากยะสะกุลหมดเลยนะทั้งเมืองเลยโยมนะวางันเถอะก็เลยอยู่ก็รอกันมาจนถึง เสียทรงขายแสนกลับถ้าถ้าพวกเขาได้พุทธยาปากรณ์เขากลายเป็นนุ้เจ้ากันหมดนะนะถูกท่านโยมแต่เพราะว่าทําอะไรแบบรอเดี๋ยวไงไม่เป็นไรหรอกใจเย็นๆสบายใจสบายใจนะบุญไม่ต้องรีบหรอกพวกนี้ก็ทําอย่างทานกรรมฐานาไม่ต้องรีบอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าองค์หน้ามีอย่างเงี้ยก็จะได้เจอองค์หน้าแบบแบบองค์หน้าจริงๆแต่ก็เจอแล้วจะเพียรหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทําวันนี้ ในสติปัฏฐานสูตรบอกว่าถ้าทำวันนี้ชาตินี้นบัรลุกก็บัมลุชาติหน้าถ้าชาติหน้าเป็บรมลุกก็จะบัมลุเป็นพระประเจกถ้าไม่รู้เป็นพระประเจกก็จะได้เป็นอริยะสาวกนะสีตธิมาสาวกในพระเจ้าองค์ถัดไปแปลว่าในสติปัฏฐานสูตรสอนให้เราทําวันนี้เหมือนกันโยงสติปัฏฐานสูตรก็คือพุทธพจน์นั่นเองเนาะจ้ะก็เสริมคือ like, ถึงอยู่ช่วงนั้นได้แต่ mm บารมีไม่เต็มก <cía> ็ mm. ไม่บัมลุอยู่ดีหรือว่าเกิดมาเป็นทวีเหตุบุคคล ก็ไม่บรรลุอยู่ดีทําบุญไม่ประกอบด้วยปัญญาโยมฉะนั้นเราต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างเดียวไปอยู่ช่วงนั้นแล้วบารมีเต็มก็ถึงจะบรรลุนะโยมนะการเชื่อเครื่องรางของครั้งสิ่งนั้นรับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมหรือบรรลุธรรมหรือไม่ก็ทําผู้ช้าหน่อยแล้วก็โยมพูดเร็วแล้วเหนื่อยเห็นเวลาแล้วยังเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งสบายใจแล้วนงว่า ก็จะทำให้ทิฐิชุกกรรมคือการเห็นตรงของเราไม่ตรงไม่เห็นไม่ตรงคือไม่เชื่อไปตามกรรมกับผลของกรรมนะเมื่อเราไม่เชื่อตามกรรมผลของกรรมนะเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิไม่บริบูรณ์แม้จะเชื่อว่าทำบุญแล้วได้บุญทำบาปแล้วได้บาปนะแต่ก็ยังเชื่อไม่ร้อยเปอเซ็นต์เพราะฉะนั้นทิฐิชุกกรรมของเราก็จะไม่ค่อยมีกาลังพอไม่ค่อยมีกาลังนะ ขั้นพื้นฐานกรรมสกท า, าอย่างกําลังไม่ดีและตัวบนๆจะมีกําลังได้อย่างไรวิปัสสนาญาณมันจะเกิดได้ใหญ่ได้อย่างไรก็ในเมื่อสักแต่ว่ากรรมสกท า, าปัญญาญาณหรือที่ถูกชุกกรรมเนี่ยกําลังยังไม่แรงเลยถ้ากําลังแรงเนี่ยเขาจะเชื่อการกระทํานะเชื่อการกระทำเนขะารรเรียกกรรมวาทีวิริยะวาทีนั่นเองเนาะก็ฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้าเราทําดีก็ต้องมีผลดีถ้าเรามีทําไม่ดีก็ต้องมีผลไม่ดีเชื่อโชคลางของขัง ช่วยอะไรไม่ได้เลยอยากอยากขังอยากหนียวําทำยังไงเอาเครื่องรางของขังมาใส่ใช่ไหมไม่ต้องหรอกยุมเจริญเมตตาสิรับรองได้ไฟสาตายาพิษทำร้ายไม่ได้เลยเห็นไหมเออง่ายแค่นี้ยากไม่ยากไม่ยากเนะาะอยากอยากรวยทาไงให้ทานอยากอยู่ในสังคมที่ดีรักษาศีลอยากดีกว่านั้นคบบัณฑิตเห็นมยโยผูเจ้าบอกเหตุกับผลไว้หมดเลยดีเนาะ ก็สรุปว่าเป็นอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคเพราะพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าศัยศาสตรม์มีแต่ท่านไม่พูดถึงนายโยมการทําสมาธิแบบรู้ลมหายใจที่พระอาจารย์สอนนี้ใช้ทดแทนการนอนหลับได้เลยหรือไม่ใช่ได้หรือไม่ถ้าโยมนั่งแล้วหลับเลยมันก็ใช้แทนกันได้แต่ถ้านั่งแล้วไม่หลับการพักผ่อนแบบหลับก็ยังต้องจําเป็นอยู่ นะเพราะว่าขณะดที่โยมเจริญอานาัสติโยมไม่ได้เข้าฌานโยมยังไม่ได้เข้าถึงฌานหมายถึงพูดถึงโยมนะแต่ไม่ได้หมายถึงคนที่เข้าฌานได้นะคนที่เข้าฌานได้เนี่ยเขาไม่ต้องลงพวังก็ได้ก็คือหลับเขาไม่จําเป็นก็ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอบเป็นสองแง่คือสําหรับคนที่ได้สมาธิอัปนาสมาธิไปแล้วเออไม่จําเป็นต้องหลับก็ได้แต่สําหรับของพวกโยมนะ ถ้าโยมไม่นอนโยมอาจาจะสปังกในตกผวังขณะดที่โยมจเจริญกรรมาฐานนั่นเองนะจ้ะถ้าสวดมนต์ให้พ่อแม่ซึ่งปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ทำได้หรือไม่ถ้าสามารถทําได้จะสามารถส่งผลบุญให้ได้อย่างไรในเมื่อการอุทิศผลบุญนั้นคือการส่งผลบุญให้เฉพาะผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้ด้วยการสวดมนตเสร็จก็ไปบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้หนูผม เป็นต้นสวดมวนต์แล้วนะบุญเนี้ยให้พ่อให้แม่ด้วยนะอางนี้เป็นต้นพ่อแม่ก็ดีจะลูกอย่างนีเป็นต้นก็ได้เหมือนกันนะเหมือนนั้นจะมาบวชไงโยมบวชปุ๊บก็โทรไปบอกพ่อบอกแม่บวชมากี่ปีแล้วว่ากันไปเวลาเวลาโทรโยมแม่โทรมาบ้างโย ม, ม โยมหม่ามาตมาโทรมาบ้างเขาบอกว่าอบุญทั้งบวชมาต้องนานเนี่ยเพราะโยมเนี่ยอนุญาตให้จะมามาบวชนะมาไหมไม่อนุญาตถ้ามาก็บวชไม่ได้บุญทั้งหมดเป็นของโยมนะเขาก็ดีใจปากปืนเห็นไหมก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญแปลว่าเขาได้บุญยังได้แล้วเพราะเขยินดีแล้วนี่ไงยากไม่ยากไม่ยากเลยโยมกลับไปปุ๊บก็ไปบอกญาติพ่อแม่พี่น้องว่าฉันไปถือศีล8ดมานะบุญทั้งหมดเนี่ยกุยกับคุณนะเขาก็รับส่วนบุญไว้เขาก็ได้ผลของบุญเราจริงด้วยจริงๆนั่นเองนะจริงๆมีเรื่อง เรื่องตัวอย่างจริงๆนะโยมนะแต่ยังไม่เล่าโยมเพราะเวลามีน้อยแต่คําถามมีเยอะแต่ถ้าคําถามหมดแล้วจะยกเรื่องตัวอย่างนี้ให้ฟังครับที่หมู่บ้านมีการวางท่อกําจัดปวกเมื่อครบกําหนดทุกหนึ่งปีบริษัทกําจัดปวกจะโทรมาฉีดปวกให้มาเตือนให้ฉีดปวกคือถ้าเราต่อสัญญาฉีดปวกถือว่าเราทำปานาติบาตหรือไม่ถ้าไม่ฉีดก็กลัวว่าปูกจะมาเมื่อฉีดปวกแล้วสัตว์อื่นเช่นมดก็จะตายด้วยถือว่าเราทำปานาติบาตเพิ่มอีกหรือไม่ ก็ตอบอย่างนี้นโยมนะถ้าเราตั้งใจจะฆ่าเขาสัญญาที่เซ็นไปก็เป็นปานาธิบาตนั่นเองนะทุกเป็นการทำปานาธิบาตแน่นอนแล้วตอบแบบนักบวชอย่างอาตมาละกันเช่นถ้ากุฏิที่จะมาอยู่ปวกขึ้นทำยังไงอาตมาก็จะคิดว่าก็ให้เขากินไปเถอะบุญเราเยอะเราให้ทานเก่งเราไม่กลัวหรอกเดยวกุฏิหลังใหม่เขามีให้เราอยู่ให้หลังนี้ไปเดี๋ยวก็ได้หลังใหม่มา ธรรมะเขจะคิดอย่างนี้นะแล้วถ้าไม่มีหลังใหม่ทําไงโคนต้นไม้เอะแย่อยู่โคนต้นไม้ก็ได้แต่ อ, อีทําไมาฝนตกทําไงเต็นอนะไรไม่กี่ตังค์โยมคงถวายเราได้อยู่เต็นก็ได้ปวกไม่กินเต็นเออเพราะธรรมะอันนี้เนื่องจากธรรมากลัวบาปมากกว่านะโยมนะกลัวการฆ่าสัตว์เพราะธรรมารู้อา น, นิสงส์งของการฆ่าสัตว์แล้วธรรมะเลยกลัวนั่นเองนะกุฏิที่มาอยู่ในะปัจจุบันเนี่ยปวกมันกินกรอบวงกบวงก บ, งกรบ ป, รประตูกับบานประตูธรรมาแล้วธรรมาก็กินเลยตามสบาย ให้ไม่ห่วงหรอกไม่ห่วงให้เลยนะแต่ฉันฆ่าเธอใช่ไม่เอาหรอกฉันไม่คุ้มถ้าคิดแบบนักบวชเนาะไม่คุ้มแต่ถ้าคิดแบบคราวาสยมประมาณการเอาเองว่าฆ่าสัตว์ไปแล้วผลของกรรมเป็นอย่างไรยมรู้แล้วใช่ไหมยมฟังไปแล้วเนาะแล้วก็ประตูหนึ่งบานกลับบ้านกับกับผลของกรรมอะไรคุ้มกว่ากัน โยมก็เลือกเอานะโยมเนาะจะมาสังเกตเห็นคนที่ทำบุญได้ระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมไม่เห็นมีใครลำบากสักคนเลยนั่นเองต่มาก็ชี้ประเด็นอย่างนี้เนาะชี้ประเด็นอย่างนี้เวลาผลของบาปให้ผลแล้วนะเช่นโดนปลวกขึ้นบ้านแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไม่ลำบากอยู่ดีถ้าเขาเป็นคนหนักแน่นในบุญจริงเนาะมีเมตตาต่อสัตว์ไม่ไมทุกข์ใจไม่ลาบากใจปว่วยจะไมมาขึ้นบ้านชั้นอย่างงนอย่างนี้อย่างนั้น นะเออไปเจออันนึงไปเจอโยมที่ยะลาตอนนั้นปี2ปีก่อนสองสาปีก่อนมาไปอยู่ยะลาโยมคนหนึ่งเขาไม่ฆ่าสัตว์เอาจ ร, าจรจิงเขาจำการไม่ฆ่าเลยโยมนะเขาอยู่เท่าไหร่แถวที่มันยิงกันตุบตับตุบตับตุบตับกลางเมืองแล้วก็บรรเบิดตุมตุม ต, ม ต, มตมกันบ่อยๆเลยโยมตรงนั้นเลยโยมมาก็แกเขาบอกว่าแกไม่เคยฆ่าแมงสาบเลยไม่เคยฆ่าหนูเลยนะแล้วเวลาหนูแมงสาบอยู่เข้ามาในบ้านแกจะทํายังไงแกบอกว่าเออแบ่งกันอยู่นะลูกเอยแบ่งแบกันอยู่นะ แต่เธออยู่แล้วเธออย่ากัดของฉันเสียหายนะยะนะอย่านี้เป็นต้นแล้วแกก็บอกว่าแกบอกเขาแปลกแท้พูดไปพูดมาหนูไม่อยู่ในบ้านแกเลยย้ายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดเลยนะเออจะมาเคยเหมือนกันโยมเพื่องมันอยู่ในห้องน้ำจะมาแล้วมันก็แล้วเวลาเปิดไฟมันก็ตกมาเขาเป็นคนตายไม่ดีโยมเหยียบมันบางทีมันก็ตายแล้วเราก็ไม่เห็นแล้วก็เหยียบมันเหยียบแล้วเกิดอะไรขึ้นโยมเด็กนายมันก็จิ้มขาจะมาจะมาก็เจ็บจะมาวันดีคืนดีจะมาก็เลย ไปคุยกับเขาแล้วกันใช้สั์ว่าไปคุยกับเขาเขาก็ไปหมดเลยอย่เออง่ายแค่นี้เลยโยมไปเจริญเมีตาให้เขาแต่ตอนนั้นเจริญเป็นภาษาบาลีคุยกับเขาเป็นภาษาบาลีเขาก็เลยหนีไปหมดเลยได้จ้ะจับไปปล่อยก็ได้เหมือนปล่อยที่ไหนนะปล่อยจากชั้นเจ็ดลงมาปล่อยอะไรเอ่ย มันบินมันมันจะตกมาตายไหมเนี่ยถ้าไม่ตายก็ปล่อยได้โยมนะจ้ะปล่อยได้โยมถ้าถ้าปล่อยเขาฟุดปุ๊บแล้วเขาก็บินต่อได้ไม่ใช่เขาตกมาแผะแล้วก็บอกฉันปล่อยเธออย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่ถ้าเขาบินได้จริงๆเขาดูกันเอาเองนะโยมนะเขาก็จะบินไปเข้าห้องอื่นเลยก็ปล่อยเขาเถอะสัตว์โลกเป็นไ ป, ไ ป, ไปตามกรรมน ะ, ะรู้สึกว่าปีกเขาจะไม่ได้ออกแบบมาขนาดนั้นมั้งโยมนะอ๋อ ต้องถ่ายเทปดูผมกตัวแล้วกันต้องลอยสทกตัวแล้วถ่ายดูอยากเขียนหมือนกัสรุปนะโยมก็คือถ้าไม่ฉีดก็กลัวว่าป่วกจะมาแต่ถ้าศึกษาดีๆโยมคนคิดในที่ที่โยมจะไปมากกว่าว่าถ้าโยมฉีดแล้วโยมจะไปอยู่ที่ไหนนะไปคติไหนของโ ย, ยมนะโยมน่ะเราก็หาวิธีอื่นดูโยมถ้าเรามีความการุณาจริงเนี่ยมันหาวิธีได้นะ เอ อ, อมแม่โยมโยมออมาม่าแต่มาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันโยมอยู่ในคอนโดเนาะแถวบางนาแล้วจ้ะแล้วก็เนื่องจากว่ากลัวบาปเพราะอะวานนาเวลาคุยกับโยมจะคุยดีโยมจะคุยกับโยมแม่โยมโยมของตัวเองเนี่ยแต่มาจะคุยแบบคู่ๆนิดนึงเพราะกลัวเขาลงอาบายเดี๋ยวตกประภายนะอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะกลัวมากโยมเขาก็จะไม่กล้าฉีดปลวกเหมือนกันนะแต่ก็ทําไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าไม่ฉีดไม่ได้เพราะเขาอยู่ในคอนโดเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าพอเอาเ็้าจริงๆคอนโดเขาก็ไม่ยอมเพราะว่ามันจะทำให้คอนโดทั้งคอนโดมีปัญหาเป็นตน้นเขาแค่ตั้งเจนาว่าไม่ยินดีจ้ะก็เลยต้องก็อย่างที่โยมโยมของธรตมาบอกนะเนาะของโยมันตมานั่นเองก็เขาก็เลยต้อง จำพะยะจำยอมก็ฉันไม่ได้อยากจะฆ่าเธอนะแต่ให้ทํำยังไงล่ะก็ฉันก็ไม่มีสิทธิ์นะ่ะมีไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะ บ, บอกว่าถึงจะเป็นบ้านฉันนี่ก็จริงฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าฉีดหรือไม่ฉีดเนี้ยเพราะมันเป็นภาพรวมขอ ง, งสังคมอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นเนาะเหมือนกับสมมติเราไปอยู่ในในในบริษัทห้างร้านตรงไหนก็ตามที่เขาต้องมีการฉีดปวกแล้วเราก็เป็นพนักงานคนนึงแล้วก็ห้ามไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้เนี้ยเราก็ต้องทําใจ ก็เราไม่คิดจะฆ่าเขานี่นะเราไม่ได้อยากจะเบียดเบียนเขาแต่ถ้าเราเจอเขาก่อนเราจะรีบจับเข้าไปปล่อยอย่างนี้เป็นต้นก็จะไม่เป็นอะไรเห็นไหมว่าไงนะโยม อ, อ๋อไม่เป็นไม่เป็นนะโยมเหมือนเราไปสั่งข้าวแกงไงโยมเออสามสิบห้าบาทจานหนึ่งโยมบอกว่าฉันกินแค่ครึ่งเดียวก็เขาขายแบบนี้นโยมอืมจะให้เขาตักน้อยกว่านี้เขาก็ตักไม่ไม่ตักให้ นายโยมให้ก็ตักเยอะกว่านี้ก็ไม่ตักใหเ้เป็นอย่างนั้นนายโยมนะไม่ต้องไปคิดมากต่อไปเนาะการทำบุญทอดกระถิ่นกับการปฏิบัติธรรมมาไหได้บุญมากกว่ากันก็มันมันดูที่ตรงนี้ไม่ได้นายโยมมันต้องดูว่าแล้วจริงๆบุญใครเกิดเยอะกระแสบุญของของกิจกรรมนั้นๆน่นะใครได้บุญกุศลกระแสบุญเยอะกว่ากันนะหมายความว่าเวลาไป จากงานกรถิ่นเป็นงานกรถินแบบไหนล่ะเพราะงานกระถิ่นบา ง, งานกรถินทั้งถวายผ้าทั้งจัดปฏิบัติธรรมรวมกันอยู่ในงานเดียวเสร็จนะหรือว่างานกรถินนั้นก็เป็นเพียงแก่เป็นงานระดมทุนนะก็อีกเรื่องหนึ่งกุศลจิตเกิดไม่เกิดเรก็ต้องไปดูตรงไปดูที่กุศลจิตเนาะส่วนงานปฏิบัติธรรมก็ดูว่างานปฏิบัติธรรมแบบไหนนั่นเองแล้วกุศลจิตเกิดอะไรอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงเนื้อบุญถ้าพูดถึงเนื้อบุญตัวทานกุศลกับตัวภาวนากุศล ภาวนากุศลก็มีประโยชน์สูงกว่านะเช่นอันตรายกถึงตัวอย่างนี้แล้วกันนิยมนะเช่นพุทธเจ้าบอกว่าทานกุศลก็ศีลกุศลอะไรผลมากกว่าการก็สีนกุศลสีนกุศลกับกับเมตตาอย่างนี้เป็นต้นอะไรผลบุญมากกว่าก็เมตต า, านี้เป็นต้นเมตตากับการเห็นความเป็นอ น, นิจจังอะไรบุญมากกว่าก็การเห็นเป็นอ น, นิจจังนั่นเองเป็นต้นเห็นไหมก็เป็นบุญเขาก็เป็นระดับระดับระดับของเขากันไปอย่างนี้ นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าบุญเกิดทั้งหมดถ้าพูดกรณีคือเป็นพูดถึงบุญเลยพูดถึงความกระแสบุญเกิดจริงๆเลยนะทานกุศลก็เป็นบุญที่ด้อยกว่าศีลกุศลศีลศีลก็ดีทานก็ดีเป็นบุญนั้นด้อยกว่าภาวนากุศลแต่เขาไม่ได้แยกโดยเด็ดขาดโดยส่วนเดียวจริงๆเวลาเขาพูดเน่ยเหมือนแยกกันแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเวลาทําจริงๆ คนเจริญภาวนามีศีลกุศลไหมมีคนเจริญภาวนามีทานกุศลไหมมีก็คือเขาทํากันทุกอย่างเลยแหละโยมเขารวมเบ็ดเสร็จกันอยู่ในคนคนเดียวกันหมดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเจริญภาวนาชื่อว่ามีศีลแล้วนะเจริญภาวนาชื่อว่าให้ทานแล้วไม่ใช่แต่หมายความว่าทานฉันก็จะให้ศีลฉันก็รักษาทำฉันก็จะเรียนศึกษาเรียนรู้สุตตะเขาก็สันสมนั่นเองเนาะนะเมตตาฉันก็เอาอันนี้อนาพิรติสัญญาฉันก็จะ ฉันก็จะเพียนมรณสัญญาอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉันก็จะเพียน um. อย่างนี้เป็นต้นโอ้ยใช้ซาบบาลีเยอะไปหรือเปล่าอ่ะต่อจ่ะก็สรุปคือว่าถ้าเจตนาเท่ากันระยะเวลาเท่ากันความชื่นใจเท่ากันภาวนามันได้บุญเยอะกว่าทอดกรถินเออแต่ว่าถ้าโยมไปปฏิบัติแล้วโยมปฏิบัติไม่ถูกความชื่นใจก็ไม่ได้แต่ทอดกรถิ่นโยมได้ความชื่นใจทอดกรถินก็อาจจะได้บุญมากกว่าบุญมันวัดที่ความ ชื่นใจเป็นหลักแต่ว่าถ้าทําเท่าๆกันเนี่ยชื่นใจเท่าๆกันการปฏิบัติธรรมมีสุขที่ปราณีตกว่าผลมากกว่านายโยมนะการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงถือเป็นการทำบาปหรือไม่เช่นสุนนะัขปลาเป็นต้นครับถ้ากักขังเขาก็เป็นเป็นอคุิศลกรรมถ้าเราไปกักขังเขานะก็เป็นอคตศุลกรรมถ้ากักขังเขาปุ๊บอนาคตเราก็โดนกักขังนะเขา เพราะฉะนั้นจะดูว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบไหนไม่ได้ดูว่าเราให้ข้าวหรือไม่ให้ข้าวเราดูว่าเราขังเขาไม่ขังเขานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นโบราณคนละเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเขาก็เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบปล่อยๆกันโยมนะโบราณเช่นอยากเลี้ยงนกก็นกก็โยนข้าวให้มันกินมันก็ลงมากินกินเสร็จมันจะไปไหนก็ไปเรื่องของเขาอย่างเงี้ยนีอย่างนี้ดีโยมเป็นทานกุศลดีนะแต่ถ้าเลี้ยงแบบรักเขาอยากเอ็นดูเขาก็เลยจับเขามาอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้เป็นต้น บางทีมันเป็นการเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเนาะเป็นการเบียดเบียนเขาหรือเปล่าความชอบของเรากับเป็นการเบียดเบียนเขาไหมอย่างเงี้ยนะล้วก็ต้องดูนะบางทีเราเลี้ยงปลาอยู่ในตู้เล็กๆก็ เ, เราอยากมีเราอยากเลี้ยงปลาปลามันตัวบเบลล์เลยนสมมติตัวเปนเท่านี้นะโยมนะจะอยู่ในตู้แค่นี้มันน่าสงสารนะโยมนะถ้าเราถ้าเราตัวขนาดเนี้อยู่ในห้องสักสองคสองไหวไหมก็เราก็ลําบากเนาะ เห็นไหมโยมสี่คูณสี่ตลอดทุกวันทั้งตลอดชีวิตลําบากไหมเอออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คิดอกเขาอกเราเนะโยมเนาะนั่นก็เราก็คิดอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้ามันเลี้ยงมาแล้วล่ะ <c oughs> ก็ดูว่าไปปล่อยได้ไหมเอาไปให้ที่ไหนอะไรยังไงที่เช่น <c oughs> ถ้าเป็นปลาปล่อยลงน้ําได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะถ้าหมากงไปปล่อยไม่ได้โยมเนาะปล่อยก็อย่าคิดถึงวัดนะโยมเนาะ <c oughs> อย่าคิดนะอย่าคิด พ่อมาจะมาไปอยู่มาวัดไม่มีหมานะโยมเขาไม่มีวัฒธรรมเอาเอาหมาไปฝากพระเลี้ยงนะไม่มีโยมแล้วก็บอกว่าเสริมบารมีพระด้วยการเลี้ยงหมาไม่มีนะเออไม่มีนะมีเคยเคยเจออันหนึ่งเขาบอกวัดนี้มีแล้วแมวแล้วหมาอะไรประมาณนี้แลอยา่าเอาจบหมดเลยโยมเดี๋ยวด้คำถามข้ออื่นนะ อ้เหลืออีก30คำถามอัะยาก็สรุปนะโยมคือว่าตัวที่สังเกตได้ว่าจะบาปหรือไม่บาปนะโยมโยมดูตอนมันไม่สบายหรือมีใครมาทำร้ายมานะโยมถ้าโยมเสียใจอ่ะแปลว่าที่โยมทำไปทั้งหมดมันเป็นปัญหาหมดเลยโยมนะนั่นแหละบาปมันอยู่ตรงนั้นเลยโยมอีกประการหนึง่งเล่นการพานันกับญาติเฉพาะเทศกาลบาปมากไหมเล่นการพานันกับญาติเฉพาะเทศกาลแทงเงินหล่ะ พ น, นันคงมีเงินนะครับคงไม่ใช่ดิดมากรอกในความรู้สึกผมนะ <ś c oughs> คงจะเงินก็ก็ถ้ามันเป็นการสังเกตอย่างนี้นาโยมบาบไม่บาบก็ชนะแล้วก่อเวนไหมก็คือถ้าเราชนะเขาแล้วเราเอาทรัพย์ของเขามาไหมแล้วเขาแพ้เขาเสียดายทับย์ไหมเนี้ยถ้ามีอาการนี้เกิดขึ้นแปล ว, ว่าไม่ดีแล้วแปล ว, ว่าไม่ดีแล้วเพราะว่าเวลาเราเล่นตันหามจะมีกําลังเยอะ ตัณหาเราก็จะมีกําลังเราก็อยากได้เนาะนะส่วนคนเสียก็จะเท่าทุกใจมากเห็นไหมโยมจะเล่นกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นน่ะนะแต่เคล็ดลับนะโยมนะว่าอย่าโลภตมาเคยเล่นการพนันทีหนึ่งโยมมีตอนเด็กๆตมาเป็นคนชอบเล่นเล่นไพ่โยมตอนเด็กๆจริงๆเลยนะเล่นแล้วก็ซ่อนไพ่บ้างปิ้นไพ่บ้างเก่งชํานาญเลยโยมโตมาก็เลยไม่เล่นเลยโยมเพราะว่าเราโกงคนมาเยอะจัดกับเรื่องเล่นเงนี้ยเก่งแก้ ง, กงเพื่อนสนุกสนุกเงี้ยทํามาเยอะจัด มีวันหนึ่งตอนเรียนมาหาลัยแต่มาเขาไม่เคยเล่นไพ่กับเขาเลยชวนยังไงก็ไม่เล่นก็เริ่มมีวันหนึ่งเพื่อนอยากอยากจะกินเงินในตามาจัดเพราะว่าพรุ่งนี้ชวนกันว่าจะไปนัดไปเที่ยวเชียงใหม่กันก็เลยกะว่าจะหาเงินในวงไพ่เนี่ยไปเล่นวงเงินเถอะเพื่อนจะมาคิดกับตมาอย่างนี้ตามาก็บอกอย่าเลยอย่าทํคาชันอย่างนี้เลยขอเถอะเพื่อนเอ้ยเองจะมาเอาเงินในวงไพ่ไปเอาเงินกันเองไปเที่ยวทําไมเองก็บอกม้าต้องเล่นเองต้องเล่นบังคับให้เล่นให้ได้แต่ม า, า, ม า, าก็เลยคิด ใ, ในใจ เองไม่รู้ซะแล้วว่าข้าเป็นใครเองไม่เห็นห็นค่าเล่นเองไม่รู้ซะแล้วเรียบร้อยโยมธรรมาก็เลยยืมเงินคนข้า ง, างมา<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนซีกอีกคนหนึ่งนาะยยืมมาผู้หญิงยืมหน่อยห้าบาทได้แล้วแบ่งกันคนละครึ่งนะบอกอย่างนี้อยู่เชื่อไหมว่าเพื่อนคนนั้นหมดไปเกือบสามพันบาทห้าบาทนาะโยมนลโยมธรรมาก็แทงห้าบาททุกครั้งด้วยไม่เคยแทงเยอะเพราะธรรมรู้ว่าเล่นยังไงก็ชนะเคล็ดลับคืออย่าโลภ แต่คนคนเล่นการพนันทุกคนโลภหมดโยมงั้นทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าคนไม่โลภเนี่ยทํายังไงจับฉลากที่ไรก็ต้องชนะนะจับยังไงก็ได้โยมลองจับเอาจับเอาฉลากมารวมๆกันโยมแนละ้วหยิบขึ้นมานะคนไม่โลภมันจะได้นะคนไม่โลภนะโยมจะหยิบขึ้นมาแล้วจะได้สมมตินั่งกันอยู่ในนี้ทั้งหมดนะโยมนะถ้าใครเป็นคนไม่โลภที่สุดหยิบขึ้นมาคนนั้นน่าจะได้นะแค่นี้เองโยม การพานันก็คือไอ้แบบนี้ใช่ไหมละ่ะโยมเพราะฉะนั้นคนที่อ ก, กุศลักษจิตเกิดเยอะคือโลภเยอะๆสุดท้ายก็จะเดือดร้อนสุดท้ายก็จะเดือดร้อนด้วยตัณหาตัวเองนั่นแหละตอนจะเป็นอัจฉรมาเป็นเด็กๆจะมาลองมาแล้วโยอมถ้าโลภอยากได้เมื่อไหร่จะมาเสียงเงินหมดเลยแต่ถ้าไม่โลภช้ได้อย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากเด็กๆ ก, ก็เล่นกันแบบเล่นๆๆ น, น, นะโยมนะไม่เล่นกันจริงจังเออเลยเจอตรงนี้มาก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกว่าโยมไปเล่นการพนันนะจะบอกว่าโยม อ, อย่าโลภเลย ลุแล้วเสียหายหมดไม่ดีหรอกนะสู้ไม่ลบุบไปให้ทานนะแล้วก็ไปทําการค้าให้ทานนี่เป็นนยโยมนะยังไงทรั์ก็เกิดง่ายทําอะไรก็ลุ่งไปหมดทรั์เกิดง่ายง่ายจริงๆโยมเนาะถ้าไม่เชื่อไว้วางรังว่างให้พี่เนนเอกเล่าประวัติการให้ทานตัวเองแล้วทรั์เกิดง่ายยังไง ตอนจากที่หมดคอร์สไปแล้วแล้วกันนิยมเนาะไม่เอาวันนี้มันเลื่อนยาวก็สรุปว่าบาปมากนะที <S <S ่เรียกเอาไว้มุกก็คือทางแห่งความเสื่อมในหนังสือสวดมนต์มีนิยมปราภะวะสูตรนิยมนะการเล่นการพนันเป็นทางแห่งความเสื่อมบาปมากก็ต่อไปอันนี้ด้วยความเคารพด้วยเช่นกันนะก็เลยอ่านคําถามให้แต่จะไม่ตอบเรื่องที่จะตามถามอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระขออภัยล่วงหน้าเรื่องที่จะถามคือเรื่องสัมภเวสีหรือผีเปร อาจารย์มีประสบการณ์บ้างไหมถ้ามีกรณุณาเล่าให้ฟังด้วยถ้าเราเจอเราควรจะทําประการใดมาสการด้วยความเคารพก็เจอแล้วค่อยมาคุยกันนะโยมนะยังไม่เชอก็ไม่ต้องไปคิดนะโยมนะต่อไปคนรับจ้างเลี้ยงกุ้งมีบาปหรือไม่รับจ้างเลี้ยงกุ้งเออมีบาปเลยมันเลี้ยงกุ้งยังไงเนี่ยเ อ, อ๋เลี้ยงกุ้งที่ที่เราอยู่ตอนที่บางค้าแล้วครับแบบนี้อ๋อเป็นพนักงานเลี้ยงกุ้งเนาะครับอ๋อเหมือนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่เนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบ แบบทําตามคําสั่งเขาอย่างเดียวเราไม่ได้คิดว่าดีกุ้งโตแล้วจะได้โดนฆ่าอย่างนี้ก็ไม่บาปอยู่เขาจิตที่คิดจะฆ่าที่จะเบียดเบียนไม่มีนะถ้าคิดว่าทําไงได้เขาฉันจรน่ะฉันไม่มีงานทําฉันก็แถวบ้านฉันก็มีแต่บอบอเลี้ยงกุ้งฉันก็เลยต้องรับจ้างมาโปยอาหารกุ้งนะแต่ถ้ารับจ้างฆ่าด้วยเนี่ยไม่ได้นะเช่นวันเขาจะยกขึ้นน่ะเราก็ช่วยกันยกขึ้นด้วยเพราะเรารับจ้างถ้าอย่างนี้ก็ต้องโดนแน่นอนแต่รับจ้างเลี้ยง มันจะมาไอเลี้ยงนี่มันต้องฆ่าด้วยไหมเนี่ยยกคนถามคงจะรู้เองเนาะถ้ารับจ้างเลี้ยงคือถึงเวลาก็ไปโยนอาหารเลี้ยงกุ้งโยนไปโยนไปแต่วันฆ่าวันนั้นฉันไม่รีเล่นด้วยก็แล้วไปรอดแต่ต่อเพิ่อมอีกแล้วถ้าแล้วถ้าเจ้าของบอกกุ้งทุกครั้งก็เอาอาหารไปโปรยให้กุ้งกินแต่วันฆ่าไม่เคยไปยุ่งเลยไม่บาปใช่ไหมบาปเหมือนเดิมและที่โยนให้กุ้งกินเป็นบุญใช่ไหมไม่เป็นบุญ ไม่เป็นบุญเพราะว่าเธอไม่ได้คิดจะเลี้ยงเพื่อรักมันเลยเธอเลี้ยงเพื่อฆ่าโดยชฉพาเพราะงั้นไม่เป็นบุญนะโยมเนาะถึงแม้จะไม่ไยกยกช้อนมันขึ้นมาเองวันช้อนก็หนีทุกครั้งว่าเถอะก็ยังเป็นปานอธิบาทอยู่เนาะเพราะเรายังไงยังไงเราก็ยินดีกับการฆ่าอยู่ดนะ<ะ>ีก็เสริมคือมันจะบาปไอ้ตรงที่มันต้องคอยฆ่าศัตรูกุ้งนี่แหละกุ้งมีศัตรูเยอะนอกมากินมั่งปาลารอดมาอยู่ในน้ำมั่งมันบาปตรงต้องต้องฆ่าศัตรูกุ้งนี่นะโยม นะถ้ามีคนมาขอแทรกคิวในขณะที่มีคนต่อคิวจากเราอยู่คนที่ขอแทรกเป็นคนแก่ข้อ 1. คนที่มาขอแทรกบาปไหมข้อ2ถ้าเราอนุญาตให้ด้วยความเมตตาการุณาจะเป็นการที่เราเบียดเบียนผู้อื่นที่ต่อคิวอยู่ข้างหลังแทนหรือไม่ก็มันขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงเนาะมันขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงถ้าเราเห็นเป็นคนแก่อย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยให้คิวเขไปก่อนแล้วก็ทําโดยอ่ะก็รู้สึกว่า คนไทยเราก็รู้สึกว่าเห็นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องน่าเกียดนะนะเวลาเห็นคนแก่ว่าแล้วถ้ายิ่งเราพูดแบบพูดเสียงดังๆออกมาอุ้ยย้ายแก่แล้วย้ายต้องมาเข้าแถวไม่ดีหรอกย้ายโยย้าไปอยู่ข้างหน้าเลยบางคนเขาไม่จะแซคิวตัวเองด้วยนะเขาไม่แซกข้างหน้าเลยนะแต่มาเคยเห็นบางคนน่ะเขาต่ออยู่ข้างหลังก็อุ้ยเด็กน้อยตัวเล็กอน่ยพูดดังๆเด็กน้อยตัวเล็กให้มานเดินเข้าแถวไม่ดีหรอกอุยคนแก่แก่แล้วมันยืนเข้าแถวไม่ดีไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยอย่างเงี้ย พอมีคนอย่างนี niin, ้พ hmm, so, ูดปุ๊บคนอื่นเขาจะเห็นดีเห็นงามด้วยก็จะจูงไปเอ้อนี่นี่คนแก่ให้อยู่หน้าเลยอย่ี้เป็นต้นและคนที่อยู่หน้าเขารู้สึกเออดีเหมือนกันเขาก็จะไม่โกรธกันนะแต่ถ้าเราทํานิ่งๆเงียบๆแล้วก็แซกไปคนข้างหลังก็จะคิดเหมือนกันอะไรเนี่ยทำไมอยู่แซงชั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ถ้าเราพูดพูดแบบกระตุ้นคุณธรรมค้นนะโยมกระตุ้นคุณธรรมว่าเออคนแก่มานะเออเราเราคนไทยมีจิตใจอบอ้อมอารีให้ก่อนเลยอย่างเงี้ยเป็นคุณธรรมอันดีงามเนี่ย เราทําด้วยพูดด้วยดีโยมคนอื่นจะได้เออชื่นใจวะจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเขาจะได้ได้บุญดีไหมทําเธอโยมดีแล้วโยมก็คนมาขอแท้เขาอาจจะไม่บาปก็ได้นะโยมเพราะว่าเขาก็ลองดูไงอาจจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้นโะยมนะอันดับที่สองที่อาจารย์เขาพูดก็คือว่าสิ่งนี้เรียกว่าวิสาสะการถือความคุ้นเคยเนะถ้า โยมทยําใ่าที่อาจารย์บอกตะโกนบอกคนข้างหลังทั้งหมดแล้วเขาไม่ถือโยมก็ไม่บาปแต่ถ้าเขาถือแล้วโยมให้คนแก่คนนั้นเข้ามาก็คือโยมก็เหมือนกับผิดศีลข้สอสคือโกงนะโยมสังเกตในสนามบินสิไม่ได้เลยนะโยมเขาเข็นกระเป๋าชนโยมทันทีเลยสังเกตไหมโยมนะเพราะว่าเขาไม่ให้วิสาสะคือไม่ให้ความคุ้นเคยกับโยมนะโ ย, ยมก็เลยไม่มีสิทธิตรงนั้นนะโยมนะ ไปหลายสํานักทุกสํานักปฏิบัติไม่เหมือนกันเกิดความลังเลสงสัยจะตัดสินใจอย่างไรดีคำถามนี้ตอบยากจากักจริงๆวิธีการที่จะทําตัดสินใจอย่างไงดีถ้าโยมมีความรู้ในการปฏิบัติที่รู้ว่าจริงๆพุทธเจ้าสอนอะไรโยมว่าจะตัดสินใจได้แน่นอนแต่ถ้าโยมไม่แยกไม่ออกเลยว่าหลวงพ่อองค์นี้สอนอย่างนี้ ต่างกาับหลวงพ่ออย่างนี้องค์นี้เพราะอะไรคนนี้เขาสอนกรรมฐานนี้คนนั้นสอนกรรมฐานนั้นมันมีจุดเด่นกับจุดอ่อยกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าโยมไม่รู้รายละเอียดปีกย่อยพวกนี้เลยนะมันก็เป็นธรรมดาที่โยมต้องสับสนเป็นธรรมชาติเลยโยมแล้วโยมก็จะตัดสินไม่ได้เช่นอรรมมาบอกไปยโยมก็จะไม่รู้หรอกที่ธรรมากัณกองมาบอกและสรุปแล้วมั่วหรือไม่มั่วใช่ไหมโยมจริงหรือไม่จริงเป็นคําสอนพระเจ้าจริงไม่จริงแต่ธรรมมาเนี่ยตัดสินได้เพราะอะไรโยม เพราะนาเป็นคนที่รู้ว่าเราจะต้องไม่งงเพราะฉะนั้นธรรมาจึงอ่านพระเจ้าบิดกศเองเลยเพราะแล้วปัจจุบันนี้คารวะ ญ, ญาติโยมเป็นบ้านที่มีพระเจ้าบิดกกันเยอะแยะเลยโยมเราก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อพระเจ้าบิดกมาอ่านได้เหมือนกันมีสิทธิ์ที่อ่านแล้วสงสัยมาถามได้เหมือนกันใช่ไหมโยมอย่างนั้นปุ๊บเราก็จะเป็นผู้รอบรู้รู้รอบเลยทันทีคราวนี้ก็จะสบายเลยโยมจะตัดสินถูกสินผิดได้เหมือนตอนธรรมาบวชใม่ใหม่โยม ตอนบวชมาไม่กี่เดือนนะเขาอดีไปเข้าสํานักปฏิบัติสํานักหนึ่งเขาก็พูดพูดเรื่มันก็ทำแม่งทำแม่งเอ๊ะมันแปลกแเว้ยตมาก็เลยกลับมาปุ๊บตมาก็เขาพูดเรื่องสติปัฏฐานโยมตมาก็เลยไปหาหนังสือสติปัฏฐานมาอ่านมันซะเลยโยมไปเอาพระ บ, บิดดกนะไปชี้หลอกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยทั้งไหนที่มันเป็นพูดถึงสติปัฏฐานสูตรทั้งหมดมหาสติปัฏฐานในพระวินัยในพระสูตรในพระอภิธรรมบิดกหามาหมดเลยทุกสูตรแล้วอ่านมันทั้งหมดซ้ําก็ซ้ําฉันจะอ่าน แล้วก็อ่านอ่านอ่านอ่านอ่านจนแล้วขานี้ใครจะหลอกฉันได้ไม่มีเพราะฉันรู้ปรุคุณไปหมดในในวินัยอธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้ต่างจากพระสูตรอย่างนี้อย่างนี้ตรงอภิธรรมไปดกพูดอย่างนี้อย่างนี้ต่างจากพระวินัยและพระสูตรอย่างนี้อย่างนี้มีคําขยายต่างกันตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้รู้หมดเลยอย่างนี้ก็สบายโยมแล้วก็จะแยกออกว่าหลวงพ่อหลวงปู่หลวงนาหลวงพี่หลวงลุงหรือครูบาอาจารย์ท่านไหนอะไรยังไงพูด แล้วคล้อยตามหรือไม่คล้อยตามจริงๆเห็นไหมโยมมันเกิดจากเราไปเจอว่าทฤษฎีตัวจริงมันคือตรงไหนก่อนด้วยแต่ก็จริงโยมพออ่านทฤษฎีไปปุ๊บเราจะรู้เรื่องไหมแต่อย่างต่ําเราจะได้ความรู้สึกอ๋ออันนี้ถ้าท่านพูดแล้วมันมันคล้อยตามกับทฤษฎีที่ตัวคําสอนพระเจ้าโดยตรงจริงๆเห็นไหมโยมมันก็จะได้อย่างนี้นั่นเองนะไม่ยากเนาะโยมเนาะขณะตอนมาบวชมาใหม่ นะบนมันใหม่ๆยังไม่เคยรู้อะไรเล ย, อ, ยอ่าเงี้ยอ่านแล้วยังได้ยังเข้าใจเลยจนรู้เลยว่าอ๋อสำนักนั้นสอนแปลกๆอย่างนี้เป็นต้นก็จะรู้ทันทีเลยยากไม่ยากไม่ยา ก, ยากหรอกโยงง่ายนะก็ะสรุปก็คือโยมต้องไปหาข้อมูลกลางมาก่อนนะโยมแล้วก็ค่อยเทียบเคียงแล้วถึงตัดสินได้นะอันนี้ก็คือการกระทําตามกาลนะมัสูตรนะโยมนะอย่างนี้เขาเรียกการคุ้มครองสัจจะ ยังไม่ตัดสินว่าอย่างหนึ่งถูกอย่างอื่นผิดทั้งหมดอย่างนี้อย่าทาโยมเราต้องฟังเป็นกลางก่อน อ, อ, อย่าเพิ่งตัดสินว่าอย่างนี้ถูกอย่างอื่นผิดหมดต้องดูข้อมูลกลางก่อนนะโยมนะพระอาจารย์สอนว่าการทำบุญกับพระสงฆ์ได้บุญมากโยมก็ทําอยู่และได้ช่วยเหลือดูแลหาเงินเข้าวัดหามาเยอะแล้วแต่หลวงพี่ไม่พอสทีเมื่อหลวงพี่ขอมาแล้วหาให้ไม่ได้ ดูท่านจะไม่พอใจโยมจะทำยังไงดียอมบาปไหมที่ขัดใจหลวงพี่เอ๊หลวงพี่มีกี่องค์ในโลกเนาะไม่มีองค์เดียวเนาะเออถ้าองค์นั้นเขาโกรธเราแล้วก็ย้ายองค์ก็ได้ไมัดีไหมนะถ้าลูกคนไหนขอแม่เยอะๆแม่ก็เบื่อเนาะนะพเจ้าตัดว่าการขอเยอะๆไม่ดีเลยเนาะ การขอเยอะๆไม่ดีเลยแล้วก็มีชาดกก็มีนะโ ย, ยมนะว่ามีฤาษีคนหนึ่งนะเขาเขาเป็นที่รักของพญานาคมากเลยพญานาคเวลามาขึ้นมาท่านเวลาจะกลับขึ้นมาก็เป็นประดุษเทวดามาแต่เวลากลับนี่สิชอบแปลงร่างกลับคืนเป็นพญานาคเป็นงูยักษ์ใหญ่เลยและทํำยังไงก็พันรอบตัวฤาษีแล้วก็แผ่พังพานมาโชว์หน้าให้ดู ด้ความรู้สึกแบบรักท่านมากเนี่ยเป็นวิธีรักและขลุกที่สุดของพญานาคทำให้แล้วนะฤาษีนั้นก็กลัวเพราะภูล่มาลัทธทำไมเขาใช้วิธีแก้ไงด้วยมโยมฤาษีคนพี่ก็เลยบอกไม่ยากหรอกถ้าเองไม่อยากให้พญานาคทานี้เจอปุ๊บให้ขอของพญานาคขอไปสามทีพญานาคเข็ดเลยโยมไม่กล้าโผลมาอีกเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นการขอบ่อยๆเป็นทําให้ไม่รักแต่การให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นเองเนาะ เพราะฉะนั้นเขาคลักโยมไงเขาเลยขอโยมบ่อยๆพอโยมให้เขาบ่อยๆนั่นเองนะแต่เมื่อเราผิดเมื่อเขาคาดหวังกับเราแล้วเขาผิดหวังเขาก็หงุดหงิดเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราวางตัวให้ท่านรู้ว่าเออบางทีมากไปเขาไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตื้นๆกันได้นะ้อยโอมเนาะแล้วถ้าเป็นให้เป็นทรัพย์ที่มันไม่เหมาะสมกับนักบวชอยู่แล้วเ น, ะนาะอธิมาเคยเจอโยมคนหนึ่งนะเขาถวายรถตู้ ให้พระพิสูจน์สูงเนาะป้ายแดงเลยโยมแล้วมีวันหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปรับพระมาม า, านางทำบุญบ้านบรถคันนั้นเป็นรถป้ายแดงคันใหม่ที่เขาเพิ่งซื้อเหมือนกันเป็นโฟกสวาเก้นประมาณห้ากเจ็ดล้านมั้งจำไม่ได้แล้วกี่ล้านปอดีหลวงพ่อในรถก็เลยถามว่าเออรถคนนี้มันนั่งดีเว้ยไอ้หนูข่าเอาคันนี้เหรอวะอ่างนี้เจ้าของรถก็เลยบอกว่าให้ไม่ได้เจ้าค้าท่านก็จบไปสักไปสักคู่หนึ่งหลวงพ่อเขาพูดอีกแล้ว เอ้ยคันนี้มันนั่งดีจริง เ, เว้เขาวเลยวะโยมก็เลยตอบว่าให้ไม่ได้เจ้าค้าครั้งที่สองก็เงียบไปสักครู่หนึ่งหลวงพ่อเขาพูดขึ้นที่สมโยมก็เลยตอบว่ายัางไงรู้ไหมโยมให้ท่านไม่ได้จริงๆเจ้าค้าเพราะโยมยังไม่ได้ปรวาณาท่านเลยเดี๋ยวท่านจะเป็นนาบัตนะเจ้าค่ะพระก็เลยเลิกคุยเรื่องนั้นตลอดเลยโยมเลิกไม่พูดอีกเลยเออบางทีรู้วินัยก็ดีเหมือนกันนะเอาตัวรอดดีอะข้อถัดไปดีกว่าเนาะ ก็สรุปโยมไม่บาปเนอะเพราะโยมไม่ได้ปราราณาใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันโยมไม่บอกว่าปราราว่า ใ, ให้ของเงินได้เต็มที่หรือเปล่าอืมก็คือก็คือโยมต้องปราราณาว่ามูลค่าเท่าไหร่นะก็จะเป็นการจํากัดเขตของกุศลจิตของโยมนะเมื่อรู้ตัวว่าจะหมดลมให้ตั้งจิตอย่างไรครับตายใช่ไหมใช่ครับ ก็ตอนนี้ยังไม่ใกล้หมดลมเนาะตอนนี้ก็เรียกว่าจะดีกว่าคือตอนนี้ถ้าคนถามหมายถึงคนถามเองนะหมายเพราะฉะนั้นต้องนอนนี้รีบจเจริญกุศลไว้โยมพอรีบจเจริญกุศลไว้เวลาใกล้ตายเนี่ยเวลาใกล้จะหมดลมจริงๆนะกุศลมันจะทํางานของมันเองคือเหมือนกับว่าเรามีปกตินิสัยอย่างไรใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมยโยมถ้าเราเป็นนิสัยที่เป็นบุญบุญ น, นะเช่นนิสัยมีศรัทธาเกิดง่ายเวลาเราใกล้จะตาย ความเป็นคนมีศรัทธาของเราก็ยังเกิดต่อไปมันก็จะค้างต่อเนื่องของมันไปแต่ถ้าเราเป็นนิสัยแบบไม่ดีเช่นเป็นคนขี้โกรธเนี้ยเวลา ใ, ใกล้าตายเราก็เจอแล้วก็งุนหงิดของเราไปนะคนอื่นจะไปแก้ก็แก้กแกยากแต่ถ้าในกรณีที่มันใกล้าตายแล้วถึงแล้วทำบุญก็ดีหรือไม่ทําบุญแล้วก็ดีแต่มันใกล้าตายจริงๆทํำยังไงนะก็สังเกตว่าคนคนนั้นนะเป็นคนอัธยาศัยน้อมไปทางไหนบ้างเคยทําบุญอะไรมาบ้างนะที่จะมาเคยทําเนาะ ก็จะไปจดจําตอนพ่อธรรมายมพ่อธรรมาจะเสียชีวิตตอนนั้นธรรมาอยู่ต่างประเทศพอดีเขาเลยโทรตามกลับมามากลับมาปุ๊บนะธรรมาก็ไประลึกทั้งหมดว่าเขาเคยทําบุญอะไรแล้วธารมาเขค่อยๆไปบอกกับเขาตอนแรกเขาอยู่ ICU แล้วน่าจะใกล้ตายเต็มทีแล้วยมพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะตาไม่ลืมนะใครคุยด้วยก็ตาไม่ลืมแล้วธรรมาก็เลยเป็นไปยืนข้างๆเขาแล้วก็บอกเขาว่าอรรมากลับมาแล้วนะจํำธรรมาได้ไหม ก, ก็ไม่มีทีท่าอะไรตรมาก็เลยค่อยๆพูดเรื่องกุศลทั้งหมดที่เขาทําโยมป้าจําได้ไหมโยมป้าเคยสร้างกําแพงวัดนะวัดหลังวัดนั้นเน่ยแล้วตรมาก็ออกชื่อวัดแล้วบอกโยมเป็นคนทํานะกําแพงทั้งหมดติดชื่อโยมเลยอย่างเงี้ยเขื่อนของวัดนั้นเขาติดแม่น้ําเขื่อนทั้งหมดถ้าไม่มีโยมคนเดียวอย่าหวังเลยว่าเขื่อนนั้นจะเกิดโยมเป็นคนบอกว่าภูมิใจที่สุดเลยว่าเขื่อนทั้งหมดหมดไปต้องหลายล้านนะก็โยมนี่แหละเป็นคนทําถ้าไม่มีโยมใครจะไปทําสําเร็จ โยมเปนคนรวบรวมผู้คนนะเป็นต้นเงินเป็นต้นเลยเงินหลักทั้งหมดโยมป้าป๋าแหละเป็นคนจ่ายที่เหลือทั้งหมดโยมควักหมดเลยใครใครจ่ายจ่ายแล้วไม่พอทั้งหลายมาเอาเข้าโยมอย่างนี้เป็นต้นแล้วทาบุญซอยทําบุญถนนทําบุญที่ไหนก็ตามโยมก็มีนคนทําอย่างนี้มาตลอดพูดพูด พ, ด, พ, ด, พดไปอย่างนี้โยมเชื่อไหมโยมเขาได้สติขับขึ้นมาลืมตาขึ้นมาใหม่แล้วไปลืมตาแบบตามีสติสมัมปชัญญาอีกรอบ แต่พูดไม่ได้เพราะติดเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ไปยักหน้าแล้วก็น้ําตาขอเบาทั้งทั้งที่หมดสติไปหลายวันแล้วแปลว่ากุศลจิตมันเกิดขณะที่กุศลจิตเกิดสติมีไหมมีสมัมปััญญะมีไหมกุศลทุกชนิดมีทั้งสติแน่นอนมีสติแน่นอนถ้าปัญญาไม่เกิดยังมีสติส่วนใหญ่ถ้าในศาสนาพูดเราสติสมัมผััญญะมันจะมาด้วยกันเพราะฉะนั้นสติสัญญะก็จะทํางานเพราะฉะนั้นเวลาโยมใกล้าตายทํำยังไง ให้ระลึกไปในบุญกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีฝึกระลึกตั้งแต่วันนี้นะพวกกลุ่มอะไรพวกจารคานุสติไงในทานกุศลเหล่านี้เป็นต้นฝึกระลึกมันจะป่าเพื่มได้เร็วมากโยมในศีลานุสติรักษาศีแล้วฝึกระลึกในศีลให้มันป่าเพื่มอย่างนี้ได้เป็นจริ ง, รงๆแล้วใกล้ตายจะได้ไม่ต้องรอเกิดโยมไม่โชคดีเหมือนกับญาติๆจะมาบอกว่าโชคดีจังเลยที่มีมี โยมปะ้าะโชคดีที่มีพระลูกชายบวชเจ้าน้องสาวจะมาบอกว่าอยากมีลูกแล้วก็ให้มาบวชบ้างจังทันทีเลยโยมที่ผ่านมาไม่เคยมีใครบอกว่าการบวช ด, ดีมาก่อนเลยวันนั้นมีแต่คนอยากอยากให้ให้ตัวเองวราระสุดท้ายอย่างนั้นมีลูกชายเป็นนักบวชกันหมดเลยใครอยู่ตรงนั้นอยากกันหมดเลยโยมเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่ามันเปลี่ยนอะไรกันหมดสถานการณ์นี้คนร้องไห้กันร้อ ง, องห่มร้องไห้กับยิ้มออกกันทุกคน เป็นต้นสถานการณ์พ่อจะตายเนาะญาติพี่น้องมาเต็มไปหมดน้าตาไหลเหมาะแม่เหมาะแม่หมาะแม่กายเปลี่ยนสถานการณ์กันหมดเลยโยงงานงานศพก็เป็นงานศพที่อารมณ์ดีกันหมดทั้งงานพอเข้าใจกันหมดแล้วงั้นให้บวชให้ลูกบวช ด, ดีจกักอ่าครับก็มีคำถามว่าพระพุทธรูปปางปรินิพานที่อินเดียนิ้วเท้าของท่านเรียงแบบคนธรรมดามีสงจัด หัวนิ้วแม่เท้าลดหลั่นไปตรงถึงนิ้วก้อยแต่ของไทยสร้างพุทธ ร, รูปนิ้วเท้ายาวเท่ากันหมดเป็นเพราะอะไรอ๋อเป็นเพราะจินตนาการของคนปั้นจักยังไม่มีแค่นั้นเนาะมวยผมก็ต่างกันมวยผลไทยกับมวยผลพม่า ก, ก็ต่างกันอินเดียกับไทยพม่า ก, ก็ต่างกันเพราะจินตนาการของคนปั้นต่างกันนั่นเองง่ายๆเท่านี้โยมส่วนหมาปูเลลักษณะโยมอยากรู้ไหม อยากรู้ไหมมี32มประการก็คอร์สหน้าเลยโยมเพราะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียววันหนึ่งจะจบไหมเนี่ยนั่นเองเนาะโยมนะคงจะต้องนิมนต์มามาฟังธทรรมกันจัดคอร์สปฏิบัติธรรมคือการภาวนาแบบฟังธทรรมอยากรู้อะไรเอาเลยลิดไม่หมดติดต่อโยมอาจารย์ได้เลยเนาะโยมไพรินนะ หรือว่าอะไรโยมรวมชื่อกันเลยแล้วก็ติดต่อเลยโยมอยากได้ครูบาจารย์องค์ไหนมาแสดงเอาเลยนะอยากรู้อะไรอยากรู้มหาปริศนาพระเจ้าเป็นยังไงเอาเลยนะทําไมฝ่าเท้าเต็มทำไมภาษีเป็นแบบนี้ทําไมมีอุณาโลนทําไมขนต้องช้อนขึ้นทําไมสีเป็นประดุดทองคนะํเนาะทาไมผิวละเอียดมากอย่างนี้เป็นต้นอยากรู้ไหมโยมอยากรู้นี่จัดคอร์สปฏิบัติทางแบบฟังทำคแรบบับอิสานก็ชอบนะโยมนะฟังทำเจ็วัน7คืนพระกลัวกันหมดเลยโยมเพราะ พรฟังทำเจ็ดวันเจ็คืนจริงๆโยมกลางคืนก็ไม่ไม่ยอมไม่พักนอนฟังกันโต้ลุ่งแต่โยมนั่งหลับฟังก็ได้แต่ไม่หลับทุกคนนะจะผัดกันหลับผัดกันตื่นผัดกันหลับผัดกันตื่นนะพระโอ้โหโยมอีสานนี่น่ากลัวมากแต่มาไปอยู่มาแล้วโยมนะแท่งวันเจ็วันเจ็ดคืนพระก็บอกว่าฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันงั้นฉันจะตามพวกมาเยอะๆฉันก็หลับไปเปลี่ยนไปนอนเหมือนกันอ้าวแต่เสียงธรรมะเจ็ดวันเจ็คืนเลยโยมต่อ ก็ถ้าลักษณะสูตรไปอ่านจะไปอ่านมาก่อนอ่านที่ไหนครับอ๋ออยู่ในทีขั้นิกายนะโยมในปาติกวัตรเล่มที่2ไม่ใช่เล่มที่1นะเป็นสูตรแรกเลยฉบับ91เล่มจำชื่อเลขเล่มไม่ได้อยู่ในชื่อว่าลักษณะสูตรอยู่ในปาฏิกวัตรทีขั้นิกายเนาะจะพูดถึงมหาภูริลักษณะ32ประการแล้วก็อนุพยัญชนะอีกนิดหน่อยนะเช่นว่ามิยุนาโลมเื่อขนขึ้นตรงนี้ทําบุญอะไรานะมี มีเนื้อเต็มในที่เจ็ดแห่งเป็นยังไงมือยาวเพราะอะไรสร้างเหตุอะไรสร้างเหตุอะไรมีผลยังไงและถ้าอยากดูงงเฮงคนเป็นก็ไปอ่านสูตรนั้นละโยมแต่สูตรนั้นจะไม่งมงายเพราะจะทาให้เรารู้ว่าทํากรรมอะไรให้ผลอย่างไรลักษณะร่างกายเป็นยังไงคนมีลักษณะรากายนี้จะมีผลอย่างนี้แต่ที่สําคัญของาการศึกษาศาสนาพุทธทั้งหมดคือแก้กรรมได้หมดแก้ได้หมดเพราะฉะนั้นเราอยากมีเนื้อเต็มในชาตินี้คืออยากมีเนื้อขึ้นมาบ้างทงําไงขยันให้ทานสิ ขยันให้ทานแล้วลักษณะของร่างกายใช้ค่อยๆเปลี่ยนจริงๆเหมือนกับอะไรเหมือนกับโยมทำโยมลักษณะดีๆอะไรโยมโยมไปฆ่าสัตว์เยอะๆเดี๋ยวลักษณะโยมจะเปลี่ยนจริงๆโยมโยมลักษณะไม่ค่อยดีอยู่นะชาติเนี้อยากเปลี่ยนชาตินี้โยมเจริญเมตตาเต็มที่เลยโยมเปลี่ยนเลยชาตินี้เลยโยมจริงๆเปลี่ยนจริงๆนะโยมนะไม่พูดเล่นะคําถามเยอะเดี๋ยวข้อตัดไปจ้ะเวลาเหลือน้อยแล้วอ๋อก็คืออาจารย์เขาพูดว่า โยมก็ทําได้ในลักษณะสายสองอย่างไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าคนธรรมดาก็ทําได้นะในสมัยพุทธกาลพราหมณ์บางคนมี3อย่างพระมหากระสปะมี7อย่างนะโยมนะเรายมจะได้ซึ้งในพุทธคุณว่าแต่ละอย่างที่จะได้มาเนี่ยมันทำยากขนาดไหนเนี่ยนะยมนะเรายมจะได้ไปสังเกตพุทธรูปที่อื่นอีกไปจับผิดที่อื่นอีกต่อนานะยมอ้าวคำถามนี้ยาวปนระบายด้ยนายมนะมันขับแค้นใจนายอมอุปายาตนายอมนะ มีสหกรณ์แห่งหนึ่งผู้สูงวัยสะสมเงินบ้านปลายชีวิตไว้เป็นบำเหน็จบำนานนะนะโยมมาฝากเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งในยามปัจฉิมวัยได้ดอกผลหุ้นได้รับเงินสูงวัยรายเดือนเงินฝากถอนได้อยู่มาด้วยดี20กว่าปีประธานดีแตกนำเงินของผู้ถูอหุ้นไปถวายวัดวัดหนึ่งทราบว่าศรัทธามากเพราะมีญาติบวชอยู่ ต่อมากรรมการชุดใหม่เข้ามาดำเนินการชุดเก่าถูกกระทรวงสั่งปลดทั้งชุดก็เลยไปติดต่อวัดขอคืนเพราะผู้ถือหุ้นเจ้าของไม่ยินยอมให้กรรมการชุดเก่ามาดำเนินการไ ม, ไม่ได้จะนำมาถวายวัดแต่พระท่านไม่คืนนะพระท่านแจ้งว่าโครงการต่างๆไม่สำเร็จถ้าคืนเงินจะทยอยคืนให้สมาชิกก็ต่อว่าในใจ ทำไมพระไม่ดูวัดไม่ออกนามนะโยมนะวัดก่อสร้างเท่านี้จําเป็นทําไมวัดไม่ก่อสร้างเท่าที่จําเป็นก่อสร้างมหาสารแล้วรอบๆอบวัดก็มีปัญหากับคนที่อยู่อาศัยโดยรอบเ ง, เงินวงนี้เขาบอกมา8ล้าน800ล้านนะโยมนะ oh, <yeah. S 1> เออคำถามคือพระไม่สมท่าไม่เดินทางสายกลางทุกวันนี้สมาชิกไม่ได้รับเงิน ไม่ได้นับเงินใช้ในยามจำเป็นทุกเดือนไม่ให้ถอนบางคนทุกบางคนก็ตายไปก่อนทุกจนตายเลยนะิยมนะทุกตายไปก่อนขนาดนั้นเลยทำบาปโดยตั้งใจทั้งครองจีวร อ, อยู่ใครจะชี้แนะแนวทางว่านรกอยู่ที่ไหนถ้าพระตายจะลงนรกขุมไหนนิยมสาวแช่งท่านหรือเปล่าเนี่ย เออดูใจเราหน่อยนะว่าจริงๆเราเป็นเราโกรธเกลียดท่านหรือเปล่าเนาะโกรธเกลียดไม่ดีเนาะโยมเนาะเออก็ต้องสงสารท่านบ้างว่าจริงๆท่านท่านก็ไม่รู้อินูอินเ่กับเรานะแล้วเขาถูกคนเอาไปถวายและที่ท่านคืนไม่ได้บางทีเงินไม่อยู่กับท่านแล้วหรือเปล่าคือท่านก็ไม่รู้จะถ้ามันยังอยู่เป็นตัวเงินสดท่านคงกล้าคืนเนาะโยมเนาะแต่มาเข้าใจว่าอย่างนั้นท่านเป็นตอยู่เป็นตัวเงินสดท่านคงกล้าคืนแต่ถ้ามันมันไม่อยู่เป็นตัวเงินสดท่านจะคืนให้ยังไงเลยโยมก็ท่านไม่มีจะคืนอะ เราก็ลองมองแบบมุมมุ ม, ม, มท่านบ้างแต่ลองมุมมุมกรรมกับผมของกรรมหน่อยไหมจ ะ, จะว่าดีจะเล่าอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวจะกลายเป็นทับถมโยมหรือเปล่าไม่รู้เออกองทุนพวกเนี้นะที่เราไปฝากเนี่ยแล้วเราเจออย่างเงี้ยบางทีมันเป็นผลของกรรมเราไหมบางทีเราไปฝากอย่างเงี้ยเราเป็นข้าราชการหรือเปล่าหรือเราเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าแล้วลองสังเกตว่าตอนที่เราทํางานเนี่ยมันมีการคอร์รัปชันกันไหมแล้วพวกที่ไปฝากฝากเนี่ย เป็นกลุ่มกลุ่มที่มีผลของการที่ตอนทํางานกันอยู่อะ่ะจนทําให้เศษได้ซัพย์พวกนี้มาเนี่ยมันมีการต้องใช้ใต้มีาการรับเงินตามน้ํารับใต้โต๊ะกันไหมอย่างเงี้ยนาะไอ้พวกนี้มันกลุ่มของทีินายทานนะโยมซั์ที่ได้มาต้องชิบหายและส่วนใหญ่ที่จะมาเห็นเนาะอาจามาไมไ่พูดถึงกรณีกรณีเดียวนะหมายถึงทุกกรณีเลยนะส่วนใหญ่พอเกษียณอายุแล้วอะ่ะ เงินมันจะวิบัติหมดเป็นธรรมชาติเลยโยมนะเช่นบางทีก็จะเจอลูกหลานผ่านสมบัตินั้ น, ว, นวันก่อนหลายหลยไม่ใช่วันก่อนหลายครั้งแล้วที่มีข้าราชการหลายคนมาถามามาตมาตะมาแนะนําว่าอย่าทําเลยเพราะสุดท้ายเวลาผลมันให้กับเราเราแย่นะไอ้พวกเงินตามน้ำํำอะไรเงี้ยอย่าเลยอย่าเลยแต่ถ้าไม่มีเจตนาจะเอาเลยเงี้ยนะแล้วก็ไม่ไม่ให้ความร่วมมือเลยอย่างเงี้ย มันก็อีกเรื่องซึ่งมันทําไม่ได้ไงโยมถูกไหมเป็นข้าราชการอาตมาเข้าใจเพราะคนมาปรึกษาเรื่องนี้อาตมาเยอะเลยนะอาตมาก็ถ้าให้อาตมาพูดแบบพระอาตมาก็บอกแนะนําออกเยอะนะไปหาธุรกิจที่มันไม่ต้องทําเปื้อนบาปทําดีกว่าข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจหลายรัฐหรือหรือธุรกิจหลายธุรกิจมันไม่เกี่ยวกับบาปก็จริงแต่ถ้ามันเจอล็อกสเปกมาให้ต้องโกงเนี่ยบางทีมันก็แย่เหมือนกันเนอะแล้วผลของบาปมันมาตามทอเราบ้านปลายทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย บางทีมันก็ลําบากเนาะโยมเนาะไม่เป็นไรหรอกโยมเนาะถ้าเราสร้างเหตุไว้มันก็มีผลถ้าเราไม่ทุกข์ใจก่อนเนาะนะไม่ทุกข์ใจก่อนแล้วเราค่อยๆแก้กันไปนะค่อยๆแก้กันไปดีกว่าเนาะโยมเนาะนะดีไหมจะมาตอบอย่างนี้ดีไหมเพือจะสบายใจขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็พูดถึงเรื่องการก่อสร้างหน่อยแล้วกันเนาะคือพระเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตของสังคมเหมือนกันเนาะ บางทีเราเองก็อันนี้พวกโยมอาจจะไม่ใช่แต่อาจจะเป็นคนที่ไปเปลี่ยนค่านิยมใหม่ว่าการทําบุญมันมีสิ่งที่ประนีตกว่าการก่อสร้างเนาะแล้วก็การให้เงินพระโยมก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกเพราะว่าพระเนี่ยบางทีเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลผลิตของสังคมเป็นอยู่เนื่องด้วยโยมบางทีโยมเนี่ยก็คือให้เงินมาแล้วก็อยากจะได้รับความปลื้มใจจากการเห็นสิ่งก่อสร้างไงโยม มันก็เลยมีผลโดยอ้อมทำให้พระต้องไปทำสิ่งแบบนี้ขึ้นมาเนะเราอาจจะช่วยกันเปลี่ยนค่านิยมใหม่ในเมื่อสิ่งก่อสร้างมันมีมากอยู่แล้วจริงไหมโยมนะวัดเนี่ยมีตั้งสาม0มื่นวัดมั้งในประเทศเรามีวัดล้างอยู่ 5,000 ันวัดโยมตอนนี้ในโยมนะเขาเรียกวัดหลวงวัดหลวงตาโยมนะมีหลวงตาแก่ๆไปบวชอยู่คนเดียวเฝ้าวัดวัดอย่างนี้มีเต็มเลยโยมนะ เราอาจจะเปลี่ยนค่านิยมกันใหม่เนอะมันก็จะเปลี่ยนกรรมไปด้วยเพราะว่าค่านิยมเป็นตัวกําหนดกรรมของสังคมอย่างเช่นตอนนี้ค่านิยมชอบผู้หญิงต้องขาวไวท์เทนนิ่งอย่างเดียวก็มาจากความคิดของพวกโยมนั่นแหละว่ามันดีใช่ไหมโยมผู้ชายก็เลยคิดตามไปด้วยว่าต้องผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้ถึงเรียกว่าสวยใช่ไหมโยมโยมก็ค่าตัวเองที่ว่าพอยมผิวดําหน่อยโยมก็จะขายไม่ออกโยมเป็นคนสร้างค่านิยมนี้ขึ้นมาเองน ะ, อะลองดูนะเนี่ยเป็นเรื่องผลของกรรม โมหะกับโมโหเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับโมหะแปลว่าความหลงโมโหมาจากโมหะบวกสิวิพัตแปลงสิเป็นโอเลยเป็นโมโหคําเดียวกันเลยโยมแต่คนไทยจะเข้าใจว่าโมโหแปลว่าโกรธโมโหโทโสเงี้ยนะมันมีจริงๆโยมโมโหโทโลโพโทโสโมโหจะมันมีศัพท์นี้จริงๆซึ่งมันหมายถึงโลภะโมหะโทสะ แต่คนไทยก็เลยเข้าใจว่าโมโหโทโสโมโทโสก็เลยแปลว่าโกรธไม่ใช่โยมโมโหแปลว่าโมหะโทโสแปลว่าโทสะนะซึ่งมันใส่วิพัฒน์วิพัฒน์ของภาษาบาลีไว้ด้วยว่ามันเป็นประธานของประโยคนะแค่นั้นเองโยมที่โยมไม่ต้องถามเนื้อสิแปลงสีเป็นโอคืออะไรเป็นหลักภาษาศาสตร์โยมไม่งั้นเดี๋ยวจะมาต้องอธิบายเรื่องหลักภาษาศาสตร์จะมาแค่พยายามจะบอกโยมให้รู้ว่าโมหะกับโมโหคือคําเดียวกัน แต่คนไทยเข้าใจว่าโมโหแปลว่าความโกรธซึ่งจริงๆไม่ใช่โมโหกับโมหะคําเดียวกันนั่นเองจ้ะก็คือความหลงความมึนถ้าไม่มึนก็ไม่โกรธโยมมีปัญญาก็ไม่โกรธไงโยมนะโยมเป็นอย่างนี้เองก็การอนุโมทนาบุญทําอย่างไรกับคนที่มีชีวิตอยู่และคนที่เสียชีวิตแล้วอันนี้อธิบายไปแล้วนะขอข้ามเลยเนาะคำถามเยอะเออเพราะว่าอธิบายไปแล้วทําอย่างไรจรึงจะนอนหลับสนิทคะ คือว่าหนูก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันช่วงนี้หนูก็พยายามดูลมหายใจก่อนนอนแต่ก็ยังฟุ้งซ่านและฝันทุกคืนเหมือนเดิมก็ทํายังไงให้นอนหลับสนิทต้องไม่เป็นคนฟุ้งซ่านเนาะน ะ, นะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ฝึกเจริญเมตานะเพราะเมตานี่เขาให้อา น, นิสงส์เ <c oughs> บื้องต้นเลยคือหลับเป็นสุขข้อแรกเลยนะหลับเป็นสุขแล้วก็ตื่นก็เป็นสุขถ้าฝันก็ฝันดีคําถามที่ถามเนี่ยคือต้องการอย่างสามอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้น ต้องฝึกฝึกใจไม่คิดซี ซ, ซัวคิดเรื่องที่1เรื่องที่2คือถ้าจะคิดก็อย่าคิดโกรธใครคิดลําบากใจทุกข์ใจนะอย่าคิดให้กังวลใจนะคิดให้เศร้าโศกเสียใจน้อยเนื้อต่ําใจเซงเบื่อหน่ายอะไรอย่างนี้นะไม่เอาเลยสักอย่าง น, นะโยมเนาะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าฝึกจเจริญเมตตาแล้วก็คิดไปทางที่ดีเข้าไว้นะ ถ้าอยากรู้หรืออยากจะฝึกอย่างนี้เป็นเรื่องเวลาเป็นจริงเป็นจังในเมตตาก็รวมตัวกันนะแล้วก็คุยแล้วก็เปิดคอร์สมติตราครูบาอาจารย์ที่สอนเมตตาเก่งเยอะแยะไม่ต้องเป็นอาตมาก็ได้ไม่ต้องเป็นอาจารย์มสมทบก็ได้นะเยอะแยะจะเป็นหมดเลยหรือ CD ดีที่อธิบายเรื่องเมตตาก็เยอะแยะจะเป็นหมดถ้าสมมติรวมตัวกันแล้วนะทางยุบพุทธเขามีครูบาอาจารย์หรือเขานิมนไครมาได้ก็นิมนหรือว่าที่นี่ไม่สะดวกจะัญหาที่ไหนก็เอาเลยนะก็เรียนเรื่องเมตตานั่นเอง CD ดีธรรมะก็เยอะเนาะ โหลดอินเทอร์เน็ตก็เยอะแยะมากมายเรื่องเมตาประเทศพระเทศก็มีโยมสอนก็มีเป็นอิสระิตรปฏิหารก็มีเยอะแยะจะไม่หมดนะโยมนะแต่ที่จะมาจะบอกคือฝึกให้มันเกิดจริงๆได้มันถึงจะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแม่หลับฝันไม่ฝันร้ายเนาะก็ฝันไม่ใช่เรื่องแปลกนะโยมใครไม่บรรลุพระอรหันต์ฝันทุกคนแต่มันมีฝันรู้ตัวกับไม่รู้ตัวแค่นี้เองโยมมันไม่ซีเรียสกับเรื่องความฝันมากนะโยมนะอือ พระอาจารย์ที่เคารพเมื่อวานพระอาจารย์ตอบเรื่องคนทำแท้งว่าตกนรก500ชาติอันนั้นตามหลักฐานนะดิฉันมีความสงสัยว่าทำไมท่านถึงไม่บอกวิธีแก้กรรมให้เขาด้วยเอาอีกแล้วแก้กรรมอ๋อแก้กรรมง่ายมากเลยโยมวิธีแก้กรรมนะแก้ทีเดียวแล้วรับรองนะโยมนะโยมชักฆ่าตัวอะไรอีกเยอะเท่าไหร่ก็ตามเป็นว่ายกเลิกหมดเลยโยมโสดาปริมักแก้ทีเดียวจบเลยโยมโสดาปริมักแก้ แก้กรรมด้วยโซดาปฏิมามันจะแก้ อ, อุปสงกรรมทั้งหมดที่มันจะให้ผลให้เลิกให้ผลนำเกิดอัจบายภูมิทั้งสี่ทันทีงั้นโยมก็มาตั้งใจใหม่ว่าชาตินี้ไม่ได้โซดาปริมาเราจะไม่หยุดหายใจเราจะไม่ยอมตายดีไหมถ้าใครเคยฆ่าสัตว์มานะใครเคย ธรรมธินาทานใครเคยผิสูการเมสูมิชาจารยใครพูดโกหกใครเคยพูดประชดประชันคนอื่นเขาเรียกว่าพลุสวาสใครพูดให้คนแตกกันไม่ทะเลาะ ก, กันก็ว่าปิสุนาวาจานะใครชอบพูดเพ้อเจอ้อนี่นะหรือใครเคยกินเหล้านะเครโกรธเคยเคยโลภอยากได้ของคนอื่นในทางที่ผิดใครเคยคิดในใจว่าอยากจะทุบตีข่ามันให้ตาอย่างนี้เป็นต้นหรือใครเคยนะคิดผิดหลักโอยด่าพ่อด่าแม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นไ ม, ไม่บาปล็อกหรือว่า ทำดีไม่ได้ดีหรอกทำชั่วไม่ไดชั่วหรอกที่พูดมันสิบอย่างนี้ไปอภัยหมดเลยโยมแต่ว่าเคยทุกคน <c oughs> แปลว่าอย่าเพิ่งรีบตายทำโซดาปริมักให้ได้ชาตินี้ก่อนแล้วจะแก้กรรมทั้งหมดได้ขั้นตอนของการได้โซดาริมักนะเริ่มจากสี่ข้อแรกคือคบสัต บ, บุรุษสัตบุรุษนั้นก็จะอธิบายสัจธรรมเมื่ออธิบายสัจธรรมเราจะเข้าใจโยนิโสมานิการ เม่ได้อยู่สืหนูมันสิการเราก็จะบัตรทำถูกปฏิบัติทำถูกเราก็จะบรรลุแบบง่ายๆแค่นี้เองง่ายไม่ง่า ย, า ย, ายบอกวิธีแก้กรรมแล้วนะโยมเนาะแต่แก้วิธีอื่นมันมาไม่มั่นใจจะช่วยโยมไดม้คำถามนิยาวคถามนิยาวนะแต่คิดว่าคงสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้นอนหลับอีกสักคืนหนึ่งนะโยมนะแล้วตอไป อาจารย์คะหนูเคยปิดประตูแล้วเหีบจิ้งจกตายที่เห็นชัดๆคือสองครั้งทุกวันนี้เวลาหนูจะปิดประตูบานนั้นหนูมักมองตามขอบประตูอย่างกวกลัวแต่ล่าสุดหนูเดินเหยียบจิ้งจกตายคาเท้าหนูเลยถึงหนูจะแผ่เมตตาไปให้แต่ทุกครั้งที่หนูนึกถึงเหตุการณ์หรือเห็นจิ้งจกหนูก็จะรู้สึกหยืดๆที่ฝ่าเท้าตรงที่หนูเหยียบมันถึงหนูจะล้างเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกแบบนี้อยู่แบบนี้หนูควรทํายังไงคะ ถ้ามันแล้วถ้ามันไม่บ่าเพราะหนูไม่มีเจตนาแต่ทําไมหนูถึงโดนประตูหนีบหลังจากที่หนูหนีจิ้งจกไปแล้วแล้วจิ้งจกจะอาฆาตหนูไหมคะราะวันต่อมาหนูเห็นจิ้งจกอีกตัวหนึ่งวิ่งและแถวแถวพื้นเหมือนมันจะหาลูกมันหรือเปล่าครับเออแหม่ถ้าคาตอบคําถามนี้ตมาต้องเล่าตัวเองบ้างนะโยมนะตมเนี่ยทับจิ้งจกตายไปเพียบเลยโยมอย่าว่ า, าจะจิ้งจกนะโยมนะมดก็เพียบเลยโยม ตั้งแต่บวชมาเนี่ยทำสัตว์ตายเต็มไปหมดเลยเาาวาาันธรรมดามันมาตาไม่ดีโยมนะเวลาปิดประตูบางทีก็ไอ้ ه, ทำไมประตูปิดไม่สนิทแล้วก็เปิดใหม่ปิดมันดังแพะ์อา้าวเฮ้ยอะไรวะนะเปิดไฟดูเอาวจิ้งจกตายบางทีนะโยมทำเป็นคนตาไม่ดีโยมเห็นคิดในใจว่าใครมาทำบวชถิ่นหกตรงนี้เนี่ยสกรปรกไม่รู้จักเลอะไม่รู้จักเช็ดวางกันเถอะตะมาเขาก็หยิบผ้ามาเลยชิดชุ่มเลยโยมแล้วก็เช็ดปืด้ด เพื่อนพาพิสูจอีกรูปหนึ่งท่านทําอะไรตะโกนสดดังเลยโยมทาไมท่านทําอย่างนี้อาตมาก็หันไปงงๆก็เช็ดข้าบโอวันตินไงมันไม่ใช่อวันตินมันมดอ้าวเลยเอ้มัน ห, มมหนักกว่าโยอมไหมเนี่ยรู้กี่ตัวไม่รู้เพี้ยไปหมดอา้าวตายแล้วเป็นร้อยเลยว่ะเออไงเออแปลว่าไม่ใช่หัวอกโยมคนเดียวหรอกอาตมาทําบ่อยประจําเลยโย แต่มันจะบอกวิธีคิดแบบอาตมาให้เอาไหมโยมนะก็คือก็ทําไงได้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเจตนาชาค้าไม่มีเนาะเจตนาชา่าไม่มีไม่เคยคิดอยากจะเบียดเบียนใครเลยกับการอยากเขาได้ดีมีความสุขอยากให้เขาพ้นจากทุกข์กด้วยไมอย่อยากให้เขากินอิ่มนอนหลับด้วยนะอยากเขาได้ประสบอะไรดีๆนะก็เห็นเขาเป็นดุลลูกเราเนะี่ยเห็นทิงจกก็เหมือนลูกเห็นหมดก็เหมือนลูกอ่ะจะเป็นพ่อเขาไปหมดแล้วอาตมาเนี่ยเห็นใครจะเห็นเป็นลูกไปหมดแล้วว่ากันเถอะ ก็คิดอย่างนั้นนะโยมนะแต่ทํำในได้ก็เราไม่ตั้งใจอะ่ะบาปรกรรมของเขามันมีอยู่นะแม้เราไม่อยากเบียดเบียนเขาก็วิ่งมาซอกประตูให้เราทับแม้เราไม่อยากจะไม่เราไม่อยากจะทําอะไรเลยไม่อยากจะทําให้เขาเจ็บเลยแต่เขาต้องเจ็บต้องตายก็จริงโยมเขาเรียกว่าไม่ได้พูดแก้ตัวนะโยมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจริงๆถ้าเขาเคยก็จริ้งจกนะี่ยโยมมันกินมแมลงอะไรกี่ตัวล่ะ มันทำปานาทิบาตรวันละวันละกี่ครั้งสัตว์อื่นๆอีกละ่ะมันทำปาณาทีบาตรวันละปลาในน้ำมันทําปาณาทีบาตวันละเท่าไหร่ผลของปารนาทีบาตมันก็ต้องให้ผลแม้เราตั้งใจไม่ตั้งใจสัตว์พวกนี้มันก็ต้องตายอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่างั้นเราก็ตั้งใจฆ่ามันเถอะไม่ใช่นะนั้นให้เราเข้าใจว่าเออกรรมที่เขาจะต้องถูกฆ่าตายก่อนวัยสมควรมันมีอยู่นะแต่เราต้องคอยระวังที่จะไม่ฆ่าเขา เนาะส่วนยังไรเขาก็ต้องตายโยมจังหวะเหมาะสมเมื่อไหร่นะเช่นสมมติจังหวะนั้นถ้าเราไม่เหยียบเขาเดี๋ยวเขาต้องโดนอย่างอื่นทับนั่นเองไม่เป็นธรรมชาติอย่างนี้กันเองโยมนะแต่ก็พูดกลับไปว่าอันแรกคือเราต้องไม่เดือดร้อนใจ ก, กระกำแบบนี้ก่อนเนาะสถ้าเราเห็นสัตว์ที่จะโดนฆ่าอย่างนี้เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูล คิดและปรารถนาจะให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนเขานะดีไหมส่วนบอกว่าทําไมโดนโดนประตูทับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราถ้าโยมคนถามไม่ได้มีจิตใจจะเบียดเบียนเลยนะการโดนทับไม่ใช่กรรมไม่ใช่กรรมน้ําหลอกเพราะอะไรพรโยมทับเขาจนตายอะ่ะถ้าโยมตั้งใจทับเขาจนตายกรรมนี้ก็ต้องโยมแล้วโดนแบนเหมือนกันโยมโยมต้องแบนแ้ะแต่เหมือนไอ้เจ้าจิ้งจกพวกนั้นแหละโยมเนอะเพราะฉะนั้นบปลว่าคนละกรรมเนาะคนละกรรม แต่โยมแค่เข้าใจว่าเป็นกรรมเดียวกันไม่ใช่หรอกโยมนะตอบแล้วพอจะสบายใจขึ้นไหมโยมนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกังวลใจถ้าเราไม่เจตนาชักฆ่าจะเบียดเบีย น, นทําร้ายเขาถ้าเราคิดว่าโอ้เสียใจเสียใจอย่างนี้มันเป็นกุกุจะเป็นอคุศลชนิดหนึ่งภาษาบาลีเรียกว่ากุกุจะภาษาไทยก็เป็นอย่างที่โยมเรียกนะโยมเรียกอะไรกันดีกังวลใจเสียใจทุกใจหวาดระแวงเรียกอะไรก็เรียกเนาะน้อยเนื้อต่าใจทําไมฉันไม่ได้ทําอย่างนี้เลยก็เรียกเขาไม่เถอะโยมไม่กลุ่มโทสะ กลุ่มทศกุลกลุ่มนึงชื่อของเขาเป็นทางการหนอเรียกว่ากูกุจะนั่นเองเนาะขอขอเสริมล้กันนะครับเออคือจริงๆมันเป็นธรรมชาติของสัตว์เองโยมสัตว์มันหากินตรงไหนมันก็จะตายตรงนั้นหลยโยมเหมือนเราอะเราก็ตายกันบนถนนเยอะแยะเพราะเราขับรถไปหากินไม่ใช่เหรอโยมใช่ไหมเออโยมขับรถไปธรรมหาหากินเลยโยมถึงตายบนถนนฉะนั้นโยมเดี๋ไปคิดมากว่าจิ้งจกมันมาตายที่ประตูไม่ใช่โยม เพราะมันหากินอยู่แถวนั้นมันเลยตายตรงนั้นไงโยมเออม่เป็นโทษของวัตตะสงสารอย่างนี้เองและอีกอย่างหนึ่งเพราะมันเกิดเป็นจิ้งจกแรงที่ประตูหนีบถึงทําให้มันตายได้ถ้ามันมีบุญเกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่กว่านี้มันไม่ตายโยมถูกประตูหนีบมันก็ไม่ตายนายมนะอันดับที่3คือสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยตาไม่ดีโยมถ้ายอมดูสารคดีสัตว์บ่อยๆใช้จมูกหรือผิวหนังในการรับรู้มากกว่าบางที โยมถึงเกติบางทีโยมจะเอาเท้าหลบแมลงสาบมันจะวิ่งเข้ามาหาโยมใช่ไหมโยมเออมันเป็นอย่างนี้เองโยมธรรมชาติของสัตว์มันเป็นอย่างนี้เองนะโยมนะโยมไม่ต้องไปกลัวแล้วย่างหนึ่งจริงจกจะอาฆาตไหมมันคงไม่รู้เรื่องขนาดนั้นโยมมันไม่อาฆาตหรอกเออเพราะมันไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันตายยังไงเออมันตายทันทีอันดับที่สี่ไอ้คนที่อีกตัวหนึ่งที่มาวิ่งหาลูกอาตมาว่าจริงจกไม่ใช่สัตว์ที่มีฮีดีโอต่ปะขนาดนั้น มันจําไม่ได้เลยซ้ําว่าใครเป็นพ่อแม่มันสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีหิวแต่ปากขนาดนี้โยมเออมันสามารถผสมพันธุ์กับแม่ตัวเองก็ได้สัตว์พวูดแตกร์มันต่ำๆอย่างนี้โยมนโยมนะถ้าโยมจะหายรู้สึกเหยื่อยๆที่เท้าอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยกลัวจิ้งจกแต่หลังๆอาตมามองมันน่ารักมันนุ่มดีแลามองอย่างนี้ตัวมันนุ่มดีแล้วโยมเคยเห็นไหมว่าบางทีจิ้งจกมัน เกาะ อ, อยู่ข้างบนได้ยู่ดีมันยังร่วงลงมาได้เลยโยมเออเรามองมันแบบน่ารักน่เอ็นดูจิ้งจกยังรู้พลาดนักปา่ายังรู้พังนะโยมนะมันเกาะ อ, อยู่บนข้างบนเป็นชีวิตของมันยังร่วงลงมาเลยโยมนะเออมองแบบน่ารักน่ารักนี่ตอนนี้โยมรู้สึกว่ามีปฏิฆ า, าคาตมันอยู่มองในแง่ดีแง่ดีแล้วมันจะหายถ้าไม่หายก็เดี๋ยวจะแนะนําให้ที่นี่มีนักจิตหลายคนโยมนะ อ๋อมันทรมานด้วยกรรมของมันเองไม่ได้เกี่ยวกับโยมเออไอ้จิ้งจกตัวนี้แหละชาติก่อนๆแหละมันเคยพยายามฆ่าใครถึงสองครั้งเขาไม่ตายมันเอาให้ตายนั่นแหละมันเลยเป็นแบบนี้โยมอืมไม่ใช่ความผิดโยมเลยนโยมเนาะเออสบายใจยัง่ยเออมองจิ้งจกน่ารักบ้างนะเออเออผิวนวลๆตาดำๆเล็กๆ นะบางทีก็หางขาดออกมาเองดิ้นจึ้งๆๆ้งจออึอาจารย์ครับมันถึงเวลาแล้วครับสามทุ่มนะก็เหลืออีกยังถึงยี่สิคำถามอะ่ะจะขอตกลงกันแล้วกันเนะกับวิทยากรพี่เลี้ยงนะว่าสมุติเอาเวลาสวดมนต์พรุ่งนี้มาตอบดีไหมเออแล้วนิมนต์อาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์ตื่นขึ้นมาด้วย <laughs> ้วพวกเราเนาะเออ เเวลาพรุ่งนี้ที่สวดมนต์นั่งสมาธิอาจจะมามาตอบให้มันจบ น, นะโยมเนะเพราะตอบคำถามจริงๆตอบรีบไปก็ไม่ดีโยมเนะเออเพราะว่ามันไม่ได้องค์ความรู้ของมันนะเองั้นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะโยมนะ